สัพพะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสสะพะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะพะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัะ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 สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังกัจฉามิพุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธัง สรนังขจามิทุติยมปิพุทังสรนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิธรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังคังสรนังขจามิสังคังสรนัง กัจฉามิตัต an ิยัมป an ิพุทธังสรนังกัจฉามิตัต an ิยัมปิพ an ุทธังสารังกัชามิตติยัมปิธัมมังสรนังกัามิธัมังสาังกัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังกัามิตติยัมปิ สังขังสารานังขจ า, า, านิติสรนคมนนังนิทิตังอามะบันเตขอาการาบเคารพพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับาการาบนุสการหมู่สมณะอริปรสุทกรูปด้วยความเคารพครับเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง รายการวิธีอารยธรรมที่อยู่ทางบ้านได้อยู่ที่ชุมชนราชิธานีอโศกทุกๆคนวันนี้ตรงกับวอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557นะตรงกับแรมเอ้ยขึ้น12ค่ำเตือน11ปีมะเมียนะใกล้ที่จะออกพรรษาแล้วนะอีก3วันเท่านั้นนะก็จะถึงเทศกาลออกพรรษานะอาตมาอยู่อยุธยาออกพรรษาก็ดีใจ ไม่ใช่เป็นพระแล้วเพราะว่าจะได้มีการแข่งเรือนะที่ที่อยากจะมีแข่งเรือแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีละมีก็มีแข่งเรือยาวกันเรือเล็กๆเรือน้อยเนี่ยเลิกหมดหมดละนะแต่ก่อนเร่แข่งเรือกันสนุกสนานนะในน้ํามีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ในน้ำมีสวะครับในข้าในน้ำมีสวะในนามีขยะครับตอนนี้ในน้ํามีสารพิษ ในนามีโรงงานอุตสาหกรรมเต็มไปหมดแล้วก็ตามบ้านก็มีแต่โจรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ยาเสพติดเต็มไปหมดนะเรยว่าไปแถวบ้านนี่มันไม่น่าอยู่ไปเลยในสังคมชนบทสมัยก่อนอยุธยานะแต่วันนี้มันไม่น่าอยู่ไปทั้งปวงนะสู้มาอยู่บ้านลาดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำบ้านงามเมืองพุทบ้านพิศุท์เมืองอมตะดีกว่านะบ้านนี้น่าอยู่ที่สุดนะแต่มาเท่าที่รู้สึกนะอยู่แล้วก็ อยู่กับคนดีมีความผาสุกความปลอดภัยในชีวิตสูงนะแล้วก็อะไรหลายอย่างมีความปลอดภัยหมดแหละเรานอนบ้านเกือไม่ต้องมีประตูเป็นบ้านที่สบายรั้วก็ไม่ยังไงต้องมีเลยและที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือขนาดวัวควายมันยังมากินผักหญ้าบ้านเราเลยไอ้ที่เขาปลูกข้าวงามๆเนี่ยมันไม่ไปกินนะอันมาเชยก็ต้องโน้มมาทางด้านเนี่ยท่นั้งที่ข้าวของามว่ากก็ไม่มากินมากินหญ้าบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า มันมีมันมีเซนส์นะสัตว์มันมีเซนส์เพราะงั้นไอ้ที่อื่นๆนี่มันใส่สารผิษมันรู้มันจะมีกลิ่นมีรสมีอะไรก็แล้วแต่มันรู้ว่าไม่คดีอย่างนี้ดีกว่ามันก็มีเซนส์เลือกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกงัวควายก็รักเราคือมันมาทั้งกลางวันกลางคืนนะกลางวันมันกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาไล่เขาไล่ควายกลับบ้านใช่ไหมพอตอน สามทุ่มกว่ า, าวัวมันเดินมา <laughs> <laughs> แล้วแต่มาถ้านอนสี่ทุนนท่มจะได้ยินเสียงกงแกงกองแกงกงแขก้องเก ง, ก ง, กง <laughs> แล้วมัน ม, มันไม่ได้ไปทางโน้นข้าวทาั้งๆ ท, ที่ข้าวเขาก็งามใช่ไหมมันไม่ไปกินมันมาแต่ทางนี้แหละมีอะไรกินเรามไม่งามข้าวเราดาไ ด, ด, ด้ไปตามาเป็นข้าวดอยข้าวก็ต้นตรงนั้นตรงนี้มันมากินเฮี้ยนหมดเลยครับคือไปเรื่องแปลกมาแต่มาไอทำไมข้าวทางโน้นเขางามกว่าข้าวเราแต่เยอะไม่ไปกิน แต่ไอข้าวเราเนี่ ย, อยไอยาเยอะก็ไม่นานจะกินอะไรล้มันก็มาแต่อเวลาเลยเออพูดถึงข้าวเดี๋ยวขอบอกพวกเรานะว่าข้าวเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั่วแดนเลยมุมนั่นมุมนี่หย่อมนั้นหย่อมนี้เต็มไปหมดเราไม่ได้ทํานานาะแต่ข้าวพวกนี้มันขึ้นเต็มไปหมดในหมู่บ้านเราปีนี้มันออกรวงไปเยอะแล้วนะจะเราจะเตรียมเกีเ่ยวไว้เลยไปเกี่ยวกันนะเ <c oughs> พราะได้เวลาเกี่ยวตอนนี้นี่เกี่ยวเป็นข้าวเมาใดเลยมัง้งข้าวเมาอ่อนได้แล้วมัง้ง เนี่ยไปดูดูแล้วก็คอยเก็บอัตมาว่าได้หลายตันนะทั้งหมดนี้ได้หลายตันในบรรดาแล้วรอบรอบไปนะรอบมีทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันเดะะเต็มไปหมดเลยไอ้ที่ไม่ได้ปลูกก็นาไม่ได้ทําเนี่แหละนเนี่มันคือความอุดมสมบูรณ์ที่มันโอ้โหตอนแตกหนึ่งเองงัวควายกินก็ไม่มีปัญหาอะไรกินมันก็กินใบไปมันก็แตกใหม่มันจนทั้งเวลาออกรวมมันก็ออกนกก็ไม่ต้องไล่ด้วยมันก็เกิดขึ้นมาได้แปลกจริงๆรนี คือสิ่งเหล่านี้แล้เป็นสิ่งที่สะท้อนที้เห็นว่ากา ร, รปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมีผลมีผลได้กระทั่งสัตว์มีกระทนแล้วทั้งคนนะในความอุดมสมบูรณ์ความพาศุขในชีวิตนี่ยคือขนาดสัตว์ยังสัมผัสเขาบอกว่าเขายังว่าว่าควายมันโง่ใช่ไหมมันยังรู้ได้เลยว่าที่นี่มันดีอ่ะใช่ไหม <c oughs> แล้วเรานี่ยโงกว่าควายมันก็ที่สุดมนุษย์ <c oughs> จะไปพูดยัางไงาสิมันจริงอะ <c oughs> ไปพูดยังไงพูดจริงๆร <c oughs> ครับ <laughs> วันนี้เนี่ยพรอครูก็คงจะมาพูดเรื่องสําคัญในศาสนาพุทธซึ่งถ้าเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธนะคำว่ากายคตาสติเนี่ยเท่ากับตมาฟังเนี่ยตมาไปเรียนนพิธรมเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะเราจะต้องนึกว่าโอ้โหมันจะต้องแบบทํากายให้มันยังไงมันสงบนะมันจะต้องไปยังไงอานาพัฒนาติมันต้องโอ้โหมลมหายใจมันต้องยังไงอยู่กับลมหายใจมันต้องรู้ทุกก้าวย่างในลมหายใจไปนู่นไปนี่เนะี่ยความรู้สึกของตมาเป็นยังไนตอนนั้นอนะ เป็นนักศึกษาอะคือตอนนักศึกษาอาจารย์เขาพาตะมาไปเรียนอภิธรรมนะไม่รู้ยังไงกันนะคุยยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าแกชวนตมาไปเรียนอภิธรรมตะมาก็ไปเรียนอภิธรรมนะก็อย่างเงี้ยแต่ะตะมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเรียนก็งงงไงอะไรนะไอสจิตตังสังคเรกอะมันมันยากมากเลยนะไอดวงนี้ดวงนี้ดวงนี่นตามา ย, ยังไม่กล้ามาพูดเลยตอนนี้เนี่ยจิตเจตสิกข่าย 121อย่างพิสดาร น, นี่ยังไม่ได้เอามาพูดเลยะจะพูดถึงเรื่องรูปก่อนให้ชัดเจนเพราะว่าในรูปมันก็ต้องมีนามต้องใช้นามอยู่แล้วเพราะงั้นใช้น้ำให้คล่องก่อนกับรูปแล้วเราค่อยไปลงรายละเอียดของนามที่มันจะละเอียดลงไปในนามอีกทีหนึ่งเพราะมันเยอะมันเยอะกว่ารูปอ่ะเข้าใจรูปได้ก่อนรูปก็ยังเข้าใจกันไม่ได้ทุกวันนี้เพราะงั้นปฏิบัติธรรมจึงปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่รู้รูปนามอย่างแท้จริงจริงๆ อ, อ, อาตมาขออภัยอย่างมากเลยวันนี้บอกอาตมาพูดก่อนจะเอาอากาศนี่กับพวกเราแล้วว่าเดี๋ยวนี้าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกนานแล้วอาตมาก็รู้มาแล้วแต่ว่ายังไม่อยากพูดเท่าไร่พูดแล้วมันมันเบ่งขี้แตกเลยเบ่งเหลือเกินอาตมานี่มันเบง่งน่าแหมจะพูดแรงๆก็ได้ น, น่าน่าเหยียบ <c oughs> อโอทิรักเนี่ยพูดหน้าเหยียบน่ากระทึ้จริงๆ คือมันอวดดีอวดเก่งแล้วไปขมเขาทั้งบ้านทั้งเมืองคมในาศาสนาพุทธก็มีปราฏิหานิยระดับโลกรับรองเป็นปาฏิเป็นอะไรอต่างๆนานาพระที่รักเป็นใครมาจากไหนไม่ได้อยู่ในวงการเลยดีไม่ดีโดดออกมาจากเมืองมายาจอมายาแล้วมาทํางานาศาสนาระดับปรมัตา์อันนี้เป็นอจินไตมันเป็นเรื่องที่อาจามาพูดไปก็เท่านั้นแหละนะพ่อพูดไปก็ยิ่งมันใส่มันใส่ซ้ําเติมเข้าไปอีก มันก็ไม่พูดก็ดีกว่าแต่อาตมาก็ขอบอกได้ว่าอาตมามาทำงานาศาสนามาสืบสารสาศาสนามากอบกู้าศาสนานี่ก็พูดแรงแล้วนะพูดแรงแล้วนะแต่คนก็ยังยากอยู่ที่เขาจะเชื่อจะเข้าใจเพราะว่าอาตมาปางนี้มันต้องอดทน ต, ต้องต่อสู้ต้องพิสูจน์ความจริงในปางนี้เรื่องนี้ซึ่งอาตมาก็เข้าใจอยู่แล้วกส็สู้ได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไร แต่สงสารคนนะแม่มันครอบงํากันแล้วมันก็ปิดกั้นแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมแล้วมันก็อะไรต่ต่างๆนะนะอาตมารู้ตั้วันนี้เนี่ยเขาเถียงกันไม่เคยออกแย่งไม่เขยได้เพราะอาตมาเอาพระตาบิดกนี่มายันอยู่ตลอดเวลามันยันเขาก็อื้งเขาเถียงไม่ได้พระตาบิดกอ่ะถ้าอาตมาไม่มีพระตาบิโดกก็คงแย่ดีนะว่าอาตมามีพระตาบิดก์เป็นหลักฐานยืนยันเขาก็เถียงไม่ได้แย่งไม่ออก แต่จะรับเขาก็รับไม่ได้เพราะถ้าเขารับมันหมดทั้งยวงเลยเรื่องของเรื่องอะ่ะมันก็เห็นอัตมาก็เห็นใจนะแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะต้องดึงดันเพราะว่าตัวเองเขาก็ไม่ได้เจริญขึ้นดีไม่ดีก็ยังทวงให้าศาสนามันไม่พัฒนาเจริญขึ้นอีกมันเป็นบาปเหมือนกันนะเป็นบาปซึ่งบาปในลักษณะที่กั้นาศาสนาเนี่ยมไม่ใช่บาป น, น้อยๆหรอก บาบราคาแพงบางราคาแพงแต่ตมาก็ไม่รู้จะว่าไงพูดไปเขก็ยิ่งมันไสยิ่งไปว่าไปขม่มไปยกตนไปอวดดีไปหลงตั ว, ห ล, ตวหลงตนอะไรก็แล้วแต่แต่ตมาไม่มีหรอกเรื่องพวกนี้จิตใจไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้เลยมีแต่ความสงสารเมตตามีแต่ความไม่เห็นใจอะเมตนาจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะทาไงก็มาถึงทุกวันนี้ก็ทํางานแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วอาตมากระาไปอายุแปดสิบแล้ว มองไปทงทงแปดสิบฉลองมานี่ยังอยู่มันแปดสิบอีกหน่อยก็ไปอีกสามปีห้าปีก็ยังแปดสิบอยู่เนี่ยแหละก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเพิ่มไปจากแปดสิบตายมันต้งแปดสิบเนี่ยวาระเวลาอายุเนาะไม่ไครับคุณต่อไปอีกหน่อยตอนร้อยปีก็ต้องขึ้นเนี้ขึ้นร้อยปีครับแล้วก็ร้อยร้อยปีร้อก็แปดสิบอยู่ย่งเก่าเนี่ยเ <laughs> <laughs> ด็กไอ้ว่าเกิด ได้ไปเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องคือเรียนแล้วเมาคือมันไม่ค่อยจะอะไรมันคือแบบเขาพูดเป็นกู้เป็นแกวเลยเราก็ไม่ค่อยดูเรื่องกับเขานี่คําที่พรอครูบอกว่ากอบกู้ศาสนาเนี่ยนะคือหลายหลยหลายท่านที่ได้ฟังเขาก็บอกว่าเขาจะมาช่วยศาสนาพุทธนะเขาก็มีนาะฝังหลายองค์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยพระเจ้าสั่งให้มาช่วยศาสนาพุทธนะ <c oughs> เขาก็อ้างกันนะใช่ไหมคนก็เชื่อกันตึมเลย <c oughs> ทําบุญบริจาค ก, กันมากมายมหาศาลเลยนะ แล้วก็ช่วยอย่างเงี้ยเนี่นะไปสุดท้ายก็มีอันเป็นไปตามที่ตัวเองทําถูกไม่ถูกกันแล้วแต่แต่ของพ่อครูเนี่ยก็ประกอบคู่ศาสนาก็ไม่เห็นใครจะมามากมายเลยนะนะอาตมามาอยู่ตั้งเนี่ยจะ3ามสามสิบปีทุจรัสศกสมาสามสิบปีกว่าเนะี่ยก็ไม่เห็นเพิ่มขึ้นมากเลยนะไม่มีปุบปับปุบปับปุบปับป บ, ป บ, ป บ, ปบนะมาแบบโอ้โหบัลาดเต็มสาราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> แสดงว่าปรมัต ธ, ธรรมที่พ่อครูอธิบายเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง หลายคนเข้าใจยากแล้วก็เรียนรู้ได้ยากแล้วลดละกิเลส ก, ก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกครูอธิบายในแต่มาว่าเ ป, เป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องทำควาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะเพื่อจะทําให้ศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยมันคงอยู่ต่อไปจนถึงอะไรห้าพันปีหรือให้ชาวพุทธเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องลดนะละกิเลสได้จริงเป็นอริยชนจริงแต่มาเห็นว่าถ้า คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอดีตชนแม้คนหนึ่งในการะหนึ่งมันก็คุ้มในชีวิตนะจะให้คนมาทำงี้ได้ไม่ใช่ง่ายเลยในะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยที่จะจําเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะที่มานั่งๆั่ง น, ง น, งนงัแต่ละคนเนี่ยอาตมาว่าพอจะฝ่าฟันออกมาจากโลกีได้ใช่ไหมไม่ใช่ง่ายนะแต่คนที่เขาอยากมาอีกแล้วมาไม่ได้อีกเนี่ยมันก็น่ า, งงานเห็นใจนะวันนี้เรามาฟังเรื่องกายคตาสติอาณาปนาสติมันเป็นเรื่องยาก นะแต่ฟังขวัวข้อนี้ก็ยากแล้วใช่ไหมราต้องตั้งใจฟังแต่แต่ตมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าฟังและทําให้เรารลาดลค์เกเรตได้เพราะครูพูดเมื่อกี้สะดุดไหมว่าเรื่องนามเนี่ยไอ้ในท่านยังไม่กล้าพูดเลยท่านพูดเรื่องรูกให้เราฟังเลยนะแค่ลูงล่งลูง่เลมายความว่าเรื่องที่หยาบใช่ไหมกว่าเรื่องนามแล้วเนี่ยนั้นเราภู ม, มิธรรมายังไม่ถึงสูงมากเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีและทำความเข้าใจมันให้ได้เมื่อเข้าใจยังไงก็ค่อยสักถามกันอีกทีหนึ่งนะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ก็ต้องขอกราบยินดีบนพระครูด้วยความเคารพครับนสกันอ่าลองมาตั้งใจฟังดูอาตมาก็จะตั้งใจอธิบายนะอาตมาตอนนี้เนี่ยช่วงหลังมาห้าปีสิบปีมานี่อาตมาเน้นในเรื่องปรมัทิตย์เน้นในเรื่องเข้าหาเป้าหมายของธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นปรมัทิตย์ที่เป็นจิตเจตสิกนะมันก็ลึกมันก็ยากอยู่ แต่มันจำเป็นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมันมันออกนอกทางศาสนาพระเจ้ามันไม่เป็นปรมาจิมันไม่เข้าไปถึงจิตเจตสิกมันเข้านะเข้าจิตเจตสิกที่เขาทำกัน น, นั่งสมาธิเงี้ยเป็นต้นเขาก็เข้าหรือพวกที่ศึกษาอภิธรรมเขาก็ศึกษาตัวจิตเจตสิกจริงๆเลยนะขอภัยแหละจะพูดไปก็โยว่าเขาอีกว่าเขาไม่รู้ในเรื่อง มันไม่เข้าถึงจิตจริงอภิธรรมนะกระท่องแต่พยัญชนะมันก็จะอยู่แต่พยัญชนะติดพยัญชนะแต่เป็นอัตวาทุ ป, ปาทานไปทางด้านปฏิบัติทั้ปฏิบัติที่เอาแต่ปฏิบัติจริงๆก็เข้าใจทฤษฎีผิดก็เข้าถึงจิตเหมือนกันแต่กลายเป็นจิตในแนวดิ่งดิ่งไปเลยนะมันไม่เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประชุมไม่เป็นกาย มเป็นองค์ประชุมที่รัวมหมดโดยหยาบกลางละเอียดมันไม่มีระดับเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยดิ่งตรงเนวตือไปตรงๆซื่อทังด้านนั่งหลับตาจิตก็ดิ่งไปเลยเข้าไปหาดับดิ่งเข้าไปหาดับาทางด้านอาธิบพูดกันเรื่องประยัติ เรื่องพยัญชนะทางพระอภิธรรมทางจิตเจตสิกต่างต่างก็แหมหมดตัวเองเรียนประมาทนะเรียนจิตนะจิตเจตสิกรูปนิพพานนะโอ้โหเหตุผลชัดเจนทุกอย่างเหตุผลมากมายท่องกันเก่งจําได้ร้อยเรียงกันเป็นปฏิกริยาลูกโซ่กันพูดถึงตรงไหนปับ๊บขยายตรงนี้ต่อต่ อ, ต อ, ต อ, ต อ, ตอเป็นอิทัปัจจะตาเปจิยาการได้หมดโดยพยัญชนะได้หมดแต่เป็นอัตวาทุ ป, ปาทานได้แต่ว่าทะแต่ยังไม่จะเข้าใจเรื่องอัตตา อย่างก็ไปถึงสักกายะอัตตาต่างๆไม่ต้องไปพูดถึงอาสวะเลยซึ่งตัวตนทั้งนั้นเน่ยสภป้าของสักกายะกับตัวตนอัตตาต่างๆทุกตัวก็ตัวตนสุดท้ายตัวที่มันเหลือสุดท้ายก็ก็เรียกปลายก็เรียกอาสวะตัวตนนั้นนั้นสภาวะของก้อนกิเลสนะแต่เขาก็ไม่จับไม่ติดไม่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงพวกนี้ไม่เข้าถึงสภาวะพวกนี้ ไม่ไดเรียนรู้สภาวะพวกนี้รู้บ้างอารมณ์พี่ิบเวนเผินอารมณ์ทุกอารมณ์สุบอารมณ์สบายแล้วก็เอาสบายนักเขาก็หยุดดับอธิบายกันนะแค่มีสติอ่าอย่างสำนักติดนทันเนี่ยสติสบายนะเอาแต่เรื่องสามมันโลกีอย่าไปบ้า ก, กันอย่าไปดูถูกอย่าไปอะไรกันอย่าไปทะเลาะบอกแวงกนันอยู่อย่างสงบเงียบเรียบร้อยโอ้งามงามมากคนก็ศรัทธาเลื่อมใส เลี้ยงดูยกย่องเลี้ยงเอาไว้แล้วก็นิยมชมชื่นกันไปแต่มันไม่ได้บรรลุธรรมมันไม่มีท่ากลางบั้นปลายมันไม่มีเบื้องต้นท่ากลางมันมันไม่ได้ละกิเลสไปตามลำดับจนถึงที่สุดมันไม่มีนิพพานแล้วมันคาข้างๆอยู่แต่อาศัยฐานสงบมันไม่เป็นลักษณะของฌานพระพุทธเจ้าด้วยฌานมันไม่เป็นฌานหนึ่งมันไม่เป็นพิตกวิจาร มันไม่รู้จักวิตกวิจารด้วยเพราะมันไม่รู้ตักกะวิตกะสังกปะอะไรมันไม่รู้อัปปนาพยาปนาเจตโสอภินิโรปนาอะไรมันไม่รู้การสังขารกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารอย่างไรมันไม่รู้มันไม่รู้จักสังขารเลยเพราะฉะนั้นจึงอาตมาไม่แปลกหรอกที่ไปแปลปุญญาพิสังขารอภิปุญญาพิสังขารอเนีชาพิสังขารพอปุญญาพิสังขารก็แปลว่าสังขารปรุงเป็นบุญ พออับปับบบ ญ, ญาพิสังขารก็ลังรุงเป็นบาปอาตมาก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักสภาวะไม่รู้จักระดับโลกุตระเพราะอภิสังขารสามนี่มันโลกุตระธรรมละกิเล่มันก็เริ่มเข้าโลกุตระธรรมแล้วตั้งแต่เริ่มจับโลกุตระหนึ่งกายในกายรู้จักองค์ประชุมของกายทั้งนอกทั้งในแล้วก็รู้เลยไปถึงจิตเชื่อมโยงโยงกับกายนอกก็รู้ว่านี่คืออะไรก็เป็นสภาวะที่ตัวเองรับรู้เป็นธรรมะสภาวะ ธรรมะวันนี่คือกายกายในกายกายในกายก็เนื่องมาเป็นเวทนามาเนื่องมเป็นจิตเป็นธรรมมันไม่ในตอนเนื่องแล้วมันขาดตอนไปหมดหันตรงนั้นตัดตรงนี้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สมบูรณ์มันไม่เกิดวงจรคลองสัจธรรมทั้งหมดมันก็เลยไม่มีการบรรลุมันไปไปรอดมันไปไม่ได้มันเหมือนมีลุ่มมีบ่อมันเมืมีเหวมีหุบมีภูเขากันมีหมดเลย แล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ทะลุ treatments. แล้ววนอยู่ตรงที่ตนั้นแล้วก็หลงมืดอยู่ตรงนั้นนึกว่าตัวเองได้แล้วมันนั่งสงสารอาตมาพูดไปแลแ้วก pues ็แหมมันเกรงใจจริงๆพูดไปแล้วก็เหมือนยกตัวเองอาตมา i mean. ไม่ได้หลงตัวเองว่าตัวเองใหญ่ตัวเองยิ่งตัวเองรู้อะไรนะแต่ i mean. อาตมาขอยืนยันว่าอาตมารู้อาตมามีภูมิธรรมทางธรรมะอาตมาเป็นโพธิตสัตว์พูดอันนี้มัพูดมาตั้งแต่ต yani like ้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนยันไหมอาตมาไม่ได้พูดเล่น แต่เขาไม่เข้าใจหรอกเทรวาสไม่เข้าใจโพธิสัตว์คืออะไรนะแล้วเขาก็นอกจากไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักแล้วยังไม่นับถือด้วยไม่นับถือนับถืออรหันต่อนับถืออรหันต์นับถือพูดแล้วเขถือว่าโพธิสัตว์เป็นปุถุชนโพธิสัตว์เป็นอริยะไม่ได้เพราะตะขืนเป็นอริยะแล้วโพธิสัตว์นี่ไปไม่ถึงบุพุทธเจ้าเพราะโพธิสัตว์จะต้องตั้งปฏิบัติตั้งจิตไปถึงบุพุทธเจ้า ถ้าขึ้นมาเป็นอริยะเนี่ยยังมากเจดปีก็จะต้องบรรลุเป็นอหรหันต์พอบรรลุเป็นอหรหันต์เสร็จแล้วก็ต้องตายและสูญไปเลยคือมันมเกิดอุชเชทตทิฐิแล้วศาสนาพุทธในเทราวาวะตัวนี้เป็นอุชเช ท, ทิธินะส่วนมหายานก็เป็นสัจจะธิธิเป็นพุทธเกษตรเป็นอะไรอะไรไปหมดนะมันทางเทราวะก็เป็นอุชเชติธิขาดตายสูญ เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจอรหันต์ตายศูนย์นี่คือเออดุจเจดีเขาไม่รู้นะเขาไม่เข้าใจเขาไม่มันไม่เข no. yeah. e ้าใจว่าเอ้าอรหันต์ก็ต้องตายศูนย์ใ่เพราะอรหัตผลมันก็ต้องตายไม่เกิดอีกทุกตายไม่เกิดอีกแต่กิเลสต้องหักไม่ใช่การตายร่างกายตายแล้วศูนไม่ใช่เนี่ยอย่างงี้ไงแค่นี้ไม่ได้ม่ได้ลึกซึ้งเลยนะตื่ๆเขาก็ยังรู้ไม่ได้แต่ตอนนี้มีคนรู้แล้วแหละแต่ไม่กล้ารับ ถ้าคืนรับจะต้องมารับโพธิรักเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตายไปชาติหนึ่งหมดเลยต้องตายทิ้งไปชาติหนึ่งแต่ก็ยังดีที่เขาได้รู้แล้วแล้วก่อนเขาตายแต่ชาติหน้าเขาก็ไม่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย เ, ยเขาก็มาในฐานที่เขาเข้าใจได้แล้วก็ก็ดรับฐานะที่เข้าใจแต่ชาตินี้เสียดายชีวิตชีวิตเขาก็มา ส, สนับสนุนใจสั่นกุศลให้แก่ตนเองสร้างบุญกุศลต่างๆให้แก่ตัวเอง มันก็เลยกันมันก็เลยกันไม่เกิดบุญไอ้กุศลน่ะก็มาส่งเสริมอยู่แล้วเพราะยิ่งบุญคือจะได้ชําระกิเลสจบนะเขามาได้ชําระกิเลสตนเองเลยนะอาตมาตั้งใจว่าจะขยายความกายขตาสติเอาพระไตรปิฎกเล่มนี้มาอ่านเลยแล้วก็ยันยืนยันไปแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่ามันบกพร่องตรงไหน ที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตรงไหนนะเอาลองฟังดูแต่มาจะอ่านไปก่อนแล้วถึงจะค่อยข ย, ยายควอ่านไปไม่ยาวหรอกอ่านไปนิดเดียวแล้วก็ขยายความเลยเอาไม่อ่านต้นสถานที่ที่ขึ้นอาอรามพบทที่บอกตรงนั้นตรงนี้อะไรตไรเนี่ยนะจะอ่านตแต่ข้อสองร้อย้องร้อยเไปเลยนะแล้วก็จะไม่ยาวหรอก295ร้เก้า็แถวนั้นแหะ กบนิดหน่อยก็พอแล้วแล้วอธิบายต่อขยายความเลยสองกาบอกว่าขณะนั้นพระพุทมีพระพรคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีเกเรนอยู่ในเวลาเย็ น, สนเสด็จก็ไปยังอุปัปานศาลานั้นขั้นแล้วจึงประทับนั่งนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้แล้วตรัสทามิสุงหลายว่าดูกลัภิกษุทั้งหลายปันี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนารื่องอะไรกัน และพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ในระหว่างพิสุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในโอกาสนี้พวกกับพระองค์กลับจากบินทบาตภายหลังเวลาอาหารแล้วนั่งประชุมกันในอุ ป, ปฐานศาลาเกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้ว่าดูกระทันทิภูมิอายุทั้งหลายนี่พิุก็พูดกัน ด, กดูกระทันิภูมิอายุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริงไม่น่าเป็นไปได้เลยเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสมาสัมพุทธตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอนิสงมากนี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อสนทนากันในระหว่างน่คือในระหว่างที่สนทนากันอยู่เนี่ย ข้อสนทนากันในระหว่างของพวกข้าพระองค์ได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้พอดีพระปุมิมพราศก็เสด็จมาถึงพระปุริมพราศเขตรัสว่าดูกระพิสุทั้งหลายก็กายกายคตาสติอันพิสุจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากดูกระพิสุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่า ก, ก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดี คำก็ดีก็ดีนี่ดึกซึ่งนะเดี๋ยวจะขยายความนะแต่เขาไม่สะดุดกันนะเขาไม่สะดุดกันนะก็ดีก็ดีนี่ท่านก็แปลมาจากคําว่าวาพระฒะพิดกภาษาบาลีท่านคำวา่าวาอยู่ป่าก็ดีนะอยู่โคนไม้ก็ดนะีอยู่เรือนว่างก็ดีนะันะน่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะมั่น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 ให้รู้สั้นรูกยาวเนี่ยมันมีความหมายแค่ไหนว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สำเนียงว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงนะกองลมทั้งปวงเนี่ยที่จริงเนี่ยท่านภาษาบาลีท่านบอกกายกองลมทั้งปวงนี่ท่านมาแปลเป็นไทยกันกองลมทั้งปวงที่จริงกายอัตมาดูบลีแล้วอันนี้เนี่ยคำว่ากองลมทั้งปวงนี่ท่านบอกว่ากายท้าไม่ได้บอกกองลมหรอก แต่ผู้แปลทป่านไปแปลว่ากองลมอย่างนี้เป็นต้นคนก็เลยไปสำคัญที่กองลมเท่านั้นไม่สำคัญคำว่ากายนี่อย่างนี้มันก็เป็นความออกนอกความหมายที่พรุทธเจ้าท่านหมายคนก็เลยเพี้ยนไปเรื่อยๆตามลำดับนะเอาต่อ น, นิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยๆวาไปติ๊กติ๊กติงไปส ด, ดสดุดสดุดเดี๋ยวคอยๆ ย, ย้อนมาขยายความ กำหนดกองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจากเป็นผู้กำหนดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนีกอยู่ว่าเราจะสงบจราจะระ ง, งับกายสังขารเห็นไหคือสำเนีกเรื่องกายกายคือองค์ประชุมอยู่แล้วเป็นกองอยู่แล้วท่านก็เลยไปแปลกองเลยกองกองกองลมทั้งปวงเพราะท่านหมายว่าให้ยึดกองให้ยึดลมเนี่ยเป็นองค์ประชุมอยู่ ของคําว่ากายท่านก็เลยตีคลุ้มว่ากองลมทั้งพวงนี่คือกายแล้วก็แปลว่ากองอมทั้พวงทั้งตังนพัทบาลีนะี้นท่านบอกว่ากายแล้วท่านก็มาขยายความตรงนี้ว่าหาใจสำเนกอยู่ว่าเราจะระ ง, งับกายสังขารเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จักกายสังขารกองลมทั้งพวง ก, กักายสังขารเลยแยกกันถ้าอ น, นุเป็นกายอยู่ก็จะมาสัมพันธ์กับกายสังขารก็ให้ระ ง, งับกายสังขารนี่คือระ ง, งับ ตรงนี้กองลมทั้งบวงเนี่ยคือกายแล้วกายมันคืออะไรมันคือองค์ประชุมของรูประนน้ำกายเนี่ยคือองค์ประชุมของรูปแระนน้ำขาดน้ำก็เรียกกายไม่ได้ขาดนามมาทำขาดจิตปัญ ญ, ญาไม่เรียกกายแต่คนไทยคำว่ากายไม่มีนามเห็นไหมมันตายตรงนี้คนไทยตายตรงนี้ คำว่ากายไม่มีนามไม่มีจิตถือเป็นร่างกายถือเป็นข้างนอกร่างข้าองนอกนะถูกแต่หม า, า, ายถึงร่างนี่ผิดเพราะกายทิ้งร่างโอเคเอาไปกายทิ้งจิตไม่ได้คำว่ากายนี่ขาดจิตไม่ใช่กายโอ้โหอันนี้อาตมาก็ไม่รู้จะพูดเงยลึกซึ้งเพราะเมื่อขาดกันอย่างนี้เลยก็จบสิ พิจารณากายก็ผิดแล้วเมื่อไม่พิจารณากายความกายอย่างสมบูรณ์ถูกต้องเมื่อไม่สัมผัส ข, ข้างนอกต้องเอาข้างนอกมาเป็นตัวพิจารณาด้วยเมื่อทิ้งซะเลยความจริงของคนนะั้นมันอยู่กับข้างนอกอยู่กับสภาวะต่างหูจมูกลิ้นกายที่สัมผัสสัมผันสแล้วก็เอามาเป็นเรื่องจะทุกข์จะสุขจะเจริญจะเสื่อมทั้งหมดเลย ก็มีกรรมกิริยากับสิ่งพวกนี้จนเวลาอยู่ข้างในคุณมีกรรมกิริยาอะไรนอนหลับก็ไม่มีกรรมกิริยาอะไรแล้วมันก็มีธนามาทําปรุงป้าเจะบ้าจะบอไปมากมายหลากหลายอะไรก็ได้สารพัดสารเพเต็มไปหมดมเลเรืองมโนมยอัตตาทั้งนั้นจิตสําเร็จไปเองไปหมดเลยยิ่งตายไปแล้วยิ่งอยู่กับจิตเท่านั้น ไม่ เ, เกี่ยวกับใครเลยเพราะฉะนั้นจะหาความจริงที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งสี่จริงในเป็นภาวะของโลกไม่จริงมันเป็นอะไรอันหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ในตัวของคุณเองอยู่ในภาวะพบของจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นเองคุณจะบ้าคุณจะบอคุณจะดีคุณจะเลวคุณจะชั่วคุณจะสุขคุณจะทุกข์อะไรมันอยู่ที่จิตของท่านเองมันไม่เกี่ยวกับใครมันเป็นไปธาตุรู้ รู้อย่างงงๆรู้อย่างหลงไหลดูอย่างเลอะเทอะมันก็เลอะไปของคุณเองไงไม่เกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นจะบอกว่าความจรงิงก็จริงอยู่กับตัวคุณมันไม่กระทบกระเทือนมันไม่เป็นอะไรกับใครนี่ยิ่งตายไปแล้วในไม่เลยหรือแม้แต่คุณนอนหลับมันก็ไม่เกี่ยวกับใครอยู่แล้วมันก็ไม่รเป็นภัยกับใครอยู่แล้วเอาแค่นอนหลับยังไม่ทันตายอ่ะยิ่งตายไปแล้วก็แน่นอน รา่ความจริงของจิตปัญญาเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือมีโทษอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกี่ยวข้องทุกอย่างสุขทุกข์นั้นคุณอุปทานกันไว้สุขทุกข์นั้นคุณอุปทานกันเท่านั้นเองซึ่งจริงๆมันไม่มีแต่พระเจ้าถึงมาสอนให้มันหมดสุขก็ไปหลงสุขนั่นแหละแล้วก็ไปยึดสุขพอยึดสุขปั๊บมันก็เกิดการยึดมันก็มีแล้ว ไอ้ตัวยึดตัวนั่ะคือทุกข์คืออัตตาคือทุกข์เพราะวางตัวนี้มันก็หมดไม่ต้องสุขทุกข์มันก็ไม่มีไอ้ตัวยึดไว้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็ม่มีทั้งอุปอัตตาไม่มีทั้งตัวยึดไม่ต้องมีทั้งอุปทานไม่ต้องมีทั้งตัวทุกข์ไม่ต้องมีทั้งตัวสุขหมดนี่คือนิพพานหมดเกลี้ยงอย่างเงี้ยนิพพาน แต่ไม่เข้าใจสภาวะพวกนี้และไม่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ความจริงว่า น, นี่มันมีเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ก็ดีสุข ก, ก็ดียึดก็ดีกิเลสก็ดีอะไรที่เรียกโดยภาษาต่างๆเนี่ยมันมีสภาวะอันนี้แล้วจับตัวนี้แหลมันจริงแล้วล้างตัวนี้ให้มันหมดมันถึงจะชัดเจนว่าพิสูจน์และมันหมดแต่ไม่พิสูจน์ในการสัมผัสนี่คือความเพี้ยนออกจากศาสนาพุทธ เสด็จอาตมาอยากจะพูดว่ามันเพียร์จนหมดแล้วอาตมาทำงานมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยมาเข้าใจกันพอได้ไม่กี่คนเลยเนี่ยอยู่ในผู้ที่เข้าใจแล้วก็มาภาคเพียรปฏิบัติประพฤติเนี่ยมีจำนวนรอยจำนวนพันก็ยังยากว่าจริงๆน้องนั้นก็รู้ประปลายว่าเออเข้าท่าดูแนวทางดูดีก็ศรัทธาบ้าง ถ้าคศรัทธาบ้างก็พอมีเป็นพันเป็นหมื่นอะไรก็แล้วแต่เพราะมีสี่สิกว่าปีนี้ได้เพราะวัดเป็นพันเป็นหมื่นเพราะศรัทธาบ้างแต่เข้าใจจนเห็นจริงว่าอ๋อทิศทางโลกุตระทิศทางที่จะละลดนายคลายทิศทางจะไป น, นิพพานเป็นอย่างไงมีจํานวนเร็วเนี้ยเป็นร้อยเป็นพันนตมาก็ว่าจริงๆ จ, จังๆเนี่ยเอากันจริงๆเนี้ยเอากันจนตายด้วยกันเนี่ยก็คงได้สักพันหนึ่งมั้งสองพันจะถึงไหมไม่รู้เลย เวลามีงานชุมนุมพุทธาพิเศษทีอย่างเรียกว่าล้มหลว ม, ม 2,000 ได้2อ0 0ันร็จล้มหลว ม, ลมถ้าคนค้นกไม่ถึงพนะันปีไหนบอกคนค้นเก็มๆไม่ถึงพันก็ทา ม, มาตั้ง30มสิบเจปีแล้วนี่เท่าไหร่ครั้งที่38 39แิแป้าที่จะมาพุทธาพิเศษครั<อ>บส า, สามสิ บ, <อ>บสีส่สปีนี้สี่สแล้ว 3า3 9ปสเประมาณมทาปดาปีแล้วมันไม่ง่ายเลยที่มันยากเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยกระแสสังคมก็ไปนับถือนับถือกระแสหลักนับถือกลุ่มหลักกลุ่มที่นำพากลุ่ม ศาสนาไปแล้วก็ขออภัยต้องพูดแต่เขาผิดนะนี่ผมพูดความจริงเขาก็นับถือสิ่งผิดมันก็เลยสวยสวยกระทบกไปกระตั่งถึงลูกศิษย์ลูกค้าคนได้รับเรียนธรรมะอะไรแตไไปจนมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองมาดูแลบ้านเมืองมาทำงานให้แก่บ้านแก่เมืองมันจึงเป็นอย่างนี้ไงไม่มีผลไม่มีผลช่วยประชาชนมีแต่แหแก่ตัว ทำงานเพื่อตัวเองไปหมดดีไม่ดีทุจริตทุจริ็รเพื่อตัวไม่มีละอายต่อบาปไม่มีเหริไม่มีโอตะปัดมันก็เลยแย่ไปเลยประเทศบ้านเมืองแล้วถือศาสนาพุทธกันนานง้าสิ้าเรผู้ที่เขานับถือศาสนาอื่นเขายังมีหลักเกณฑ์ที่ดีมีข้อบังคับแล้วเขาก็ทาตามข้อบังคับของพระศาสดาก็ามีผล แต่ศาสนาพุทธอิสระเสรีภาพไม่ได้บังคับก็เลยกิเลสเป็นเจ้านายเพราะศาสนาพุทธไม่ได้บังคับไงกิเลสก็เลยเป็นเจ้านายก็เลยอย่างเี้ยย่แย่ก็บศาสนาอื่นเลยถัานเป็นเช่นนั้นจริงอาตมาจึ ง, งสงศารว่าเอ๊ประเทศไทยเนี่ยและทุกวันนี้อาตมายังมั่นใจว่า อาตมาประกาศศาสนาหรือว่าเอาไม่คล้องไปไม่ใช่ผู้ประกาศศาสนามาสืบสารศาสนามาสืบทอด น, นําความถูกต้องนําความจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประกาศมายืนยันสืบทอดสืบสารสี่สิบกว่าปีนี้อาตมามั่นใจแล้วว่ามีผู้รับได้อย่างลงเป็นผู้เห็นจริงแล้วเหมือนโกนธัญญะเหมือนโกนธัญญะมีอัญญามีความรู้ในเรื่องของ ความรู้ทางด้านศาสนาพูดได้ว่าอัญญานีนา่มีแล้วกลุ่มหนึ่งอะ่ะมีกลุ่มหนึ่งแล้วจำนวนที่พูดไปต้นต้น่อนอะจะถึงพันประมาณนั้นถึงพันสองพันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นอก น, นั้นล้มหลวเออดูดีดู ด, ดียังไม่ขั้นถึงขั้นที่จะมันมีอยู่เชื่อเชื่อหนึ่งเชื่อถือสองเชื่อฟังสามเชื่อมั่น เชื่อถือนี่ศรัทธาเชื่อฟังนี่ัน่อมศรัทธาพละเพราะเชื่อถือเนี่ยถือก็คนเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองพุทธมาตั้งแต่ั้งแต่อ่อนแต่ออกเลยตั้งแต่เกิดเมืองไทยก็เป็นพุทธกันมาตามทะเบียนสมโนครัวเป็นตามตระกูลมาอย่างงั้นแหละถือไปตามบัญญัต จนก็ตั้งถึงทุกวันนี้นี่จะพันปีและ้ะเมืองไทยตั้งขึ้นมาเมืองประเทศไทยจะพันปีแล้วก็ถือพุทธิมากัรทอดมาแต่เนื้อหาพุทธมันหมดไปแล้วเหมือนที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในอานิสูตรเหมือนกลองอาณกะชื่อพุทธอยู่เหมือนชื่ออาณกะเป็นชื่อกลองอยู่แต่กลองมันไม่เป็นกลองเก่าแล้วเนื้อไม่ของขอ ง, ของไอตัวเนื้อกลองรูปรูปรองหรือของที่เป็น เนื้อสาระของกรองของตะโพนมันไม่มีแหละมันเป็นมันเป็นแต่ชื่อเหมือนศาสนาพุทธไมมีแต่ชื่อเรียกพุทธแต่เนื้อหาสาระที่เป็นโลกุตระในกรองอากานี่ท่านบอกว่าโล ก, กุตระของพระเจ้ามันไม่มีแล้วใครจะมาพูดถึงโล ก, กุตระเขาไม่ฟังเขาจะไปฟังภาษาคนที่พูดเพราะๆพะูดที่เข้ากับกิเลสดเขานั่นเขาจะไปเอาอันนั้นไปเถือเอาอันนั้นเป็นอย่างงั้นจริงๆ เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเมืองไทยยังมีปัญญาอาตมาพูดไปในเขาฟังพอรู้พอรู้แต่กิเลสมันแรงกว่ารู้แต่ไม่เชื่อฟังไม่เอาตามเชื่อถือเนี่ยช เ, ย เ, ออเ ช, ชื่อฟังเออเข้าใจถือเชื่อถือจริงถูกแต่ไม่เชื่อฟังไม่ถือขั้นมีสัจตินรียเชื่อฟังคืออะไรคนเชื่อฟังนี่จะปฏิบัติตาม ความหมายของภาษาไทยนะีโอ้คนที่เชื่อฟังคนที่พูดปฏิบัติตามคนเชื่อฟังนี่ถึงขั้นมีความเชื่อใ น, นระดับถึงขั้นขีดไละใช้ภาษาไทยว่าเชื่อฟังนี่เขาจะปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามไปแล้วจนกระทั่งบรรลุมกักผลสูงขึ้นอันไหนที่บรรลุเขาก็เชื่อมันเป็นศรัทธา พ, พละเชื่อเนี่ยมันมีน้ําหนักอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้คนพอเชื่อถือจตมาพูดนี้ได้ความเชื่อถือเท่านั้น ยังน้อยนักเชื่อฟังและก็มีบ้างยิ่งน้อยใหญ่เลยในเชื่อมันยังไม่รู้เลยวันนี้จะเชื่อมันหรือเปล่าเนี่ยปาก็ไปห้าสิบกว่าแล้วอายุมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าก็อยู่มานานแล้วไม่เชื่อมันมันจะอยู่ทําไมครับเพราะว่าก็รู้แล้วที่อยู่เพื่อเพื่อฟุกฟุกเรื่องอะไรครับเพื่อ ไม่เห็นพ่อครูใหมอะไรน้ิพานโยนหมาดมันหลน่นลงมากลางทางอะไรเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นอยู่แล้วก็อยู่พ่อครูไม่มีฟลุกแบบนั้นอยู่แล้วครับมันต้องทําเอาเองอยู่แล้วแล้วก็ฟังพ่อครูตลอดเวลาเอาละก็อย่างเนี้ก็จะมีผู้เชื่อมัน่นไม่เท่าไหร่เทตามาพูดเนี่ยไม่ได้เกินจริงหรอกพูดจริงทีนี้น้ําหนักของสัจธรรมโลกุตตรธรรมอวิชจนในคน67ล้านคนเนี่ย ในเมืองไทยคนไทยมีแค่นี้หอยเจ็ดสบออกเจ็ก็ได้อ่ะเอบเจคนก็ได้ออะมีเท่านี้ยังมีรูปร่างของพุทธได้ท่ามกลางไฟนรกท่ามกลางไฟโลกีอันจัดจ้านเมืองไทยเนี่ย ไทยนี่นะบ้ายิ่งกว่าอินเดียบ้าไปตามโลกบ้าไปตามโลกีบ้ายิ่งกว่าอินเดี ย, ยเยอะเขาเหออเลยโลกไปได้เร็วได้ไวถูกครอบงำด้วยความคิดไปกับโลกีไวกว่าอินเดียเยอะอินเดียนี่เขานน่นแ่นปึ๊กเลยเขาเจโตจัดเขาไม่เปลี่ยนแปลงได้ไง่ายๆใครไปครอบงำาก็าไปเปลี่ยนแปลงเขาเยอะแยะ เขาจะอยู่เป็นพันล้านพลเมืองเขาจะอยู่อีกนั้นขนาดแตกไปหลายกลุ่มแล้วนะแต่เขาก็จะมีพลเมืองเพิ่มอยู่แ น, น่ๆเพราะว่าาไ ม, ไม่ปิดกันเหมือนจีนห้ามมีลูกคดเพิ่มเท่านั้นตนน่านี้ไม่อยากมีก็มีไปจององอแงป้าอยู่กันอย่างอยูอย่ได้เขาอยู่ได้ออจีนที่พยายามที่จะเบ่งอำนาจแล้วก็รวมเอาไว้เรื่อยจะ เ, เอานั่นเอานี่ไว้เรื่อย ดีไม่ดีก็เป็นยึดอาธิบายเข้ามาอีกเนี่ยยังเอาไตาวันก็ยังไม่ได้นะนี่ไตวันแตกออกมาก็จะเอาคืนอยู่เนี่ยยังไม่ยอมปล่อยนะฮ่องกงว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้ฮ่องกงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาดีไม่ดีมันจะแข็งข้อออกมาถ้าฮ่องกงแตกออกมาเป็นประเทศใหม่ได้เนี่ยนะจีนก็ครับคง <ผม S 2> จะสนึกนะจีนเขากลัวเรื่องนี้มากครับเอก็จะสํานึกนะครับนะ อันนี้เป็นเรื่องโลกนะเป็นเรื่องเล่ละ อ, อย่างที่อาตมามองอยู่เห็นอยู่ว่าไอ้คนมันก็ชอบอำนาจชอบใหญ่ชอบแบบเนี้ยมันทําเป็นสัจจะเป็นธรรมดาเป็นสมมติจสัจจะโลกโลกีซึ่งอาตมาไม่ได้สงสัยหรอกกิเลสมันเป็นธรรมดาเงนินว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าโอ้ไปแย่งไปดึงอะไรขันตัวเองนี่การรักษาให้มันทุกน้อยไมันเถอะได้แค่นี้ก็เหลิกเก่งแล้วแค่ขันหน้าตัวเองนี่ก็เถอะกิลมัฏจะตาย แล้วไม่เข้าใจเรากิกลมัฏคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ันี่จึงเป็นเรื่องน่าสงสาร ต, ต, ตั้งแต่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมานานเกือบพันปีแล้วถือสืบทอดมาตำราพระไตรปิฎกนี่ก็ถือฉบับสยามรัตนนี่มาอู้อัตมาเขาก็ยังดีมากเลยแต่เสร็จแล้วก็มตอนนี้อัตมาก็มาลงลึก อธิบายภาษาของธรรมะพระพุทธเจ้าแค่คำว่ากายกับคำว่าบุญสองคำนี้ซึ่งมันเป็นคำสำคัญถ้าเขา้าแจ้งคำว่ากายผิดคุณก็ปฏิบปปธรรมไปไม่รอดยิง่งไปเข้าใจว่าคำว่าบุญผิดเจงกระบงเลยถ้ามันเจงแล้วเจงแล้วเพราะาเข้าใจว่าคำว่าบุญผิด บุญเรกลายไปเป็นกุศลกลายเป็นเป็นความดีงามจริงมันเป็นความดีงามบุญเนี่ยไม่ดีได้ไงบุญมันเป็นเครื่องชําระกิเลสเป็นพฤติกรรมของความรู้ที่คุณต้องเข้าใจว่าบุญคืออะไรและคุณก็ใช้ความรู้วันนี้ชําระกิเลสได้ปฏิบัติชําระกิเลสได้พอชําระกิเลสได้ก็สําเร็จลงไปก็คือบาปก็หายกิเลสก็ลด มันไปอย่างนี้ยบุญมันก็คู่กับบาปมันก็คือชำระบาปชำระกิเลสในสันดานชำระบาปในสันดานออกไปเรื่อยๆรๆๆมันยิ่งคือความดีงามแต่มันไม่ใช่ความดีงามที่เป็นโลกีที่อาศัยมากันเป็นโลกีกุศลมันสุขสบายแบบโลกีได้ลาบได้ยศได้ความสบายได้ความเรอร่อยได้ความเริงงบันเทิงได้ความสนุกสนานได้มันไม่ใช่ บุญไม่ใช่ความฟูใจพวกนี้เลยไม่ใช่เลยคือเวลาเขาพูดคนมีบุญนะครับเราจะนึกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, อยู่กับเลขาหาดใหญ่สบายสะดวกมันจะมีพบอย่างนั้นขึ้นมาทันทีนั่นแหละมันเพี้ยนไปเหรอไหมครับผิดเลยนั่นนะมันศูญโยแล้วครั บ, ค, รบคือบุญนี่เขาไม่นึกถึงพระว่มามาต้องลําบากนะครับไม่ได้เคยคิดเลยฮะ อ, อมันคนละเรื่องกันเลยครับเพ ร, ระเาะฉะนั้นมันจะไรประโยชน์ไรสาระเพราะคําว่าบุญนี่คืออาญาสิทธิ์อาวุธที่จะกําจัดกิเลส เมื่อมีอาวุธที่จะประจักษ์กิเลสหายไปแล้วคหมดเวลาศูนย์ไปแล้วคุณก็เลยไม่มีอาวุธที่จะตัดกิเลสไงเห็นไหมคือมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเ อ, อะไรรับเชิญเไม่มีเพราะงั้นเรื่องบุญคืออะไรบุญก็คือต้องรู้กายต้องรู้องค์ประชมุมองค์ประชุมตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในนะ ซึ่งรวมอยู่ในวิโมก8ดข้อที่สองแต่ก็ต้องรู้ข้อที่หนึ่งรู้ข้อที่สมนะวิโมกข้อที่สองเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าต้องรู้นอกและในพระหิทธารูปานิรูปข้างนอกอจชตังอรูปสัดีาไปถึงข้างในถึงอรูปต้องมีสัญญากำหนดรูหมด และกําหนดรู้ในขณะที่มีปัจสติมีตัว <c oughs> สัมผัสเห็นมีผุดสิทธิสัมผัสเห็นสัมผัสรู้สัมผัสได้ยินสัมผัสได้กลิ่นสัมผัสได้รสสัมผัสเสศษสีค o n t a c อยู่ขออภัยใช้ภาษาฟรั่มันค o n t a c อยู่กับทั้งหมดเลยมันไม่ได้ขาดแต่เสร็จแล้ว ไม่ปฏิบัติจิตคือนั่งตัดขาดหมดเลยเครื่องนอกสัมผัสเห็นไหมมันเลยล้มละลายไปอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวเลยธรรมะพระพุทธเจ้าล้มละลายเป็นสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีนี้พระไตรปิฎกเล่มนี้เนี่ยอาตมาสงสารอยู่ประเด็นเดียวเพราะเป็นพระไตรปิฎกที่พักัดสปะซึ่งเป็นเลือดหรือสีร้อยห้าไม่ใช่ร้อ <c oughs> กระจปะเจโตล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจึงปัญญาน้อยมีแต่เจโตค้นคลักเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาพอขยายยากขยายไม่ออกขยายไม่ออกเพราะมันค้นคลักอยู่กับเจโตทั้งนั้นเลยเก็บมาแต่เรื่องของเจโตกัน เพราะทางกระสปะเป็นประธานก็เลยเลือกเขามาองนี้ก็ได้แต่นี้ก็น่าสงสารแต่ดีมันมันเป็นเชื่อแท้เทรว่าเนี่ยเป็นเชื้อแท้เชื่อไม่ผสมส่วนมหายานนะ่ะเป็นพวกพันทางผสมไปเรื่อยบ้านงคปจิโอกระทำไม่เหลือเชื่อแล้วแต่นี่ยังเหลือเชื้ออยู่แต่เชื่อเนี่ยยังก็ไปไม่ถึงเชื้อแท้ ขยายไม่ออกมันข้นมันเข้มมันตีไม่ตีไม่แตกตีธรรมะไม่แตกย่างมันเป็นเช่นนั้ น, นอัตมาก็เลยโ อ, โอ้ยากจริงๆแต่ไม่ท้อหรอกนะที่พูดไปนี่ไม่ได้หมายความว่าพโพลทอไม่ทอ้อเป็นตายก็ไม่ไมทอ้อไม่มีทอ้อเพราะอัตมา เห็นว่าอะไรที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่นี่นะถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ไม่มีอะไรที่สำคัญที่สุดเท่าอันนี้ต้องศึกษานี้ต้องได้อันนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องมีอันนี้อันอื่นไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อันนี้คือประโยชน์แท้ของชีวิตมนุษย์นะ <c oughs> เอาลองขยายกายกรตาสติอายไปหน่อยนึ่งตัดกายกรตาสติถ้าทำไม่มีกายกรตาสติเนี่ย อันเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรมีผลมากมีอันในสงฆ์มากนะเพราะงั้นจะอยู่ป่า ก, ก็ดีอยู่โคนไม้ ก, ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูมบันหลังตั้งกายตรงอันนี้หมายความว่าก็ดีก็ดีในหมายความว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ปฏิบัตินี้เป็นนั่งอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหมดแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็หลงทาง จชายเศรษฐไปปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติอย่างทางผิดนั่นแหละก็เป็นนั่งอยู่ป่าเขาถ้ำเหมือนกันแล้วเราจะเป็นล้างบางเข้าเลยไม่ได้ก็เถอะคุณนั่งอยู่ก็เถอะจะบอกว่าก็เถอะก็ได้ไม่ต้องก็ดีอยู่ป่าก็เถอะอยู่ภูเขาก็เถอะอยู่ถ้ำก็เถอะอยู่ที่แจ้งอยู่ลอ้อมฟางก็เถอะอยู่ในที่สงัดสงบติดสถานที่งไงสถานที่สงบ จะอยู่อย่างงี้ก็เถอะจะต้องเรียนรู้อาณาปานสติเรียนรู้แล้วเอามาใช้ปฏิบัติกายขตาสติเนี่ยาตมาสรุปเพราะฉะนั้นอาณาปานสติก็ไปแยกจากกายขตาสติเขาก็เลยกายขตาสติก็เลยย่างเดินไปไม่เข้าไปถึงสัมพันธ์ถึงจิต พอไปปฏิบัติอานาปานาสติทีนี้ก็มีแต่จิตไม่ออกมาหากายเห็น mm. <He ard S 2> ไหมมันขาดกันไปหมดเลยมันไม่ได้ต่อเนื่องกันเลยมันเลยล่มสลายหมดความจริงคุณปฏิบัติกายคตาสติคุณก็มีอาณาปานาสติอยู่ด้วยคุณปฏิบัติอาณาปานาสติคุณก็ต้องมีกายคตาสติอยู่ด้วยขาดกันไม่ได้ ขาดกันเมื่อไรเมื่อไรก็ไหลเมื่อนั้นบันไัยวิไลก็ได้ก็แปลว่าจิบหายทั้งนั้นวิไลก็จิบหมายบรรลยก็จิบหมายประไลก็จิบหา ย, หา ย, ลหายแล้วมันเป็นแล้วมันบันลัยแล้วมันวิไลแล้วมาจิตบายแล้วนะ เพราะงั้นฟังให้เข้าใจใ น, นที่อาตมาว่าถึงแม้เอเธอคุณจะมันต้องมันนั่งมันอยู่ในโคนไม้อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำนี่ก็ตามคุณต้องเรียนรู้อาณาปานะคุณต้องเรียนรู้การอ่านจิตแล้วก็จะต้องมารู้จักกายความหมายแล้วก็ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งกายและจิตต้องปฏิบัติพร้อมกันและมันสัมพันธ์กันกายและจิตสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา สั่เคราะห์สังขารกันอยู่ตลอดเวลาต้องรู้ชัดพระเยซูอธิบายแม้ความหมายก็มารู้เขาความออกลมหายใจออกออกมันมีลักษณะของกระบวนการของปฏิกิริยากิริยาของมันอยาน่างออกเข้าอย่างหนึง่งสั้นอย่างหนึง่งยาวอย่างหนึง่งคือให้รู้ในยะของความหมายในแง่ต่างๆเชิงต่างๆ แม้แต่แค่ลมหายใจเนี่ยมันไม่มีสัมผัสอะไรเอเอเื่นแล้วก็ต้อรู้นี่ก็ต้อรู้ความหมายในมุมต่างๆท่านก็ดียาวก็ดีต่างกันนะออกก็ดีเข้าก็ดีต่างกันนะทีนี้บรรดาอาจารย์อื่นกับเพิ่มมันร้อนก็ต่างกันมันเย็นลมร้อนลมเย็นต่างกันนะแล้วก็ขยายเกินมูลทเจานะ้านั่นแอนเคยจากข้ อ, ข, อขยายมีอาจารย์เกินร้อนก็ต่างกันนะลมร้อนลมเย็นต่างกันยังไม่พอ ลมข้างนอกกับลมข้างในต่างกันนะถ้าเอาแต่ข้างลมข้างในไม่ต้องมีลมข้างนอกนะออกไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกทิ้งลมข้างนอกไม่ได้อย่างถือว่าเป็นกายต้องให้รู้สึกอยู่ขาดไม่ได้นะถือว่าเป็นกายถ้าขาดลมหายใจไม่รับรู้ลมหายใจแล้วอยู่ข้างในเลยไม่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่รู้แล้วว่ามีลมหายใจเข้าหรือออกไม่มีรู้แต่ลมที่คุณไปปั้นอยู่ข้างในเป็นมโนมัยอัตตา การเลือดเหมือนมันมีลมเดินไปเดินมาเล่นลมเอาลมลงล่างลมลงขึ้นบนลงอะไรนี่ไร้สำนักก็สอนกันเนีปั้นไปไม่รู้ว่าลมอะไรก็ไม่รู้ไปหาหมอจีนหมอจีนก็บอกว่าไอ้ลมลมไปหาหมอเขียวหมอเขียวจะรู้เรื่องไหมว่านี่มันลมที่เขาคิดน่ยจริงหรือเปล่าลมขึ้นหรือลมลงลมบนลมล่างอะไรมันจริงหรือเปล่าเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย คือมันปั้นได้ไงมันความรู้สึกมันอุปทานมนโนมยญตตาไอ้สิ่งเหล่านี้คนไม่เข้าใจไม่รู้ก็ปั้นหลงว่ามันมีจริงเนะที่ยธตรมขยายความนี่เพื่อให้รู้ว่าที่ท่านตรัสพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันลึกซึ้งและมันเอาสภาวะปัจจุบันนั้นทีนี้มันผ่านมาทั้งสองพันกว่าปีความหมายพวกนี้ก็เลยเลื่อนไ่หมดเลยไม่เข้าใจว่าท่านหมายนี่นจุดอะไร จุดว่าเธอมันจำนวนว่ามันต้องไปปฏิบัติในป่าในเขาในถ้าก็ตามท่านก็นมาอยู่ในป่าด้วยอะ่ะและเวลามีศาสนาพุทธขึ้นแล้วมีภิกษุแล้วก็ตามก็ ย, ยังอยู่ในป่าและสมัยโน้นป่ามันเยอะมันใกล้กับวังวังพระพุทธพระเจ้าแผ่นดินอยู่นะใกล้ๆอย่างพระเจ้าชาพระเจ้าชาติศัตรูเงี่ยเาจะเปาพพสารวังพระเจ้าชาติศัตรูใกล้กับภูเขาคิจโกฏ ที่มีบันทึกอยู่ว่าเออท่อาน ห, หมอชิวัว ก, กะบอกว่าไปนึกถึงอาจารย์หกโอ้อาจารย์หกมันไม่พายพ้นทุกข์ได้เลยไม่ได้เรื่องหมอชีวักกะเราไปหาพระพุทธเจ้ามาอาจารย์ใหม่องค์ใหม่เกิดขึ้นมานะมีเหรอไปมีไปพอตัดสินตกลงใจก็ไปเลยยกทัพโยธาพลางหกไปเลย คนห้ารอยมาห้ายช้างห้ารอไปกันแต่ก่อนก็ไปเป็นขบวนอย่างนั้นยกทัพโยธาไปมันคึกมันข้าแล้วอ่ะก็มันจะไกลอะไรล่ะถ้ามันข้ามแล้วไกลมันจะไปถึงอะไรล่ะเดินด้วยสมัยนะั้นมีรถยนต์ที่ไหนเนาก็ไปกันทั้งช้างทั้งมาไปไปถึงพระพุทธเจ้ามันป่าทั้งนั้นน่ะวังกันอยู่ใกล้กับภูเขากิจโกฏิอยู่ป่าเห็นไหม นี่ก็คาดคะเนนจินตนาการตามกันแล้วกันมันป่าอะไรกับป่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็นจะนินีจะป่าไปไหนแล้วขนาดป่าอย่างนั้นท่านก็จะบอกว่าจะต้องอยู่ป่าอกีกและทุกวันนี้หาป่าที่ไหนอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยอาอ่าจะช่จิกเมี่ที่ก็ยาไมไปทงานอ เพราะงั้นในเรื่องของการสมมติหรือการเอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายเนี่ยมันจึงคณีคำนวณประมาณกันยากนะสรุปแล้วท่านสอนให้สำเนีกในความระ ง, งับกายสังขารนี่เป็นประเด็นนะเพราะงั้นเรื่องกอ ง, องลมทั้งพวงออกก็ดีเข้าก็ดินสันก็ดียาวก็ดีอะไรเนี่ยมันเป็นเชิงนะ เชิงของสภาพที่ให้รู้ว่ามันมีในยะแลกหลากหลายที่ต่างกันแม้แต่แค่ลมนี่นะมันออกก็อย่างหนึ่งเข้าก็อย่างหนึ่งนะสั้นก็อย่างหนึ่งยาวก็อย่างหนึ่งนะให้รู้ลักษณะที่มันเป็นเข้ากับออกลักษณะที่มันน้อยมันมากสั้นกับยาวนี่มันน้อยมันมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้สาเนีกว่ามันมีองค์ประชุมร่วมกันแต่เน้นอะไร เน้นว่าภิกษุนั้นนหาจะออกแล้วก็ระงับกายสังขารให้ระงับองค์ประชุมนั่นแหะระงับกายไอศิประชุมอยู่สังขารศิปชุมอยู่ให้ระงับระงับอะไรก็พาซื่อว่ากายเมื่อคนไทยเข้าใจว่ากายคือร่างกายคือร่างให้ระงับกายสังขารก็เลยบอกแข็งนิ่งเฉยระงับไงหยุดนิ่ง เสร็จเลยจบเลยไอ้เนี่ยทำคนให้เป็นท่อนไม้หรือก้อนหินาศาสนาพุทธไม่ได้ไปทําคนให้เป็นก้อนไม้หรืท่อนไม้หรือก้อนหินทําคนให้เป็นคนมีกรรมมัญญาตามีกรรมมุทุตามีกายกรรมมุทุตามีกายละหุตากายมุทุตามีองค์ประจุของรูปและนนำร่างกายและจิตใจเนี่ย อย่างแคล้วคล่องแววไวเบาง่ายว่ายิ่งก็หนังจีนนะมีความามีความเบามาีดิษนะมีวิชาตัวเบาเบาว่างง่ายไปเร็วไวไง่ายพูดเป็นอย่างงั้นไม่ได้หมายขอไวให้มานั่งแข็งนิ่งเฉยอยู่จมอยู่ก็ตรงตรงนี้จุกไม่รู้เรื่องอะไรก็ใคร อยู่กับตัวเองอยู่กับอัตตาพบตัวเองไปใครจะจิบหายตายโหงอยังไงก็ช่างหัวมันกูไม่เกี่ยวนี่แหละกูหลุดพน้นมันคนละเรื่องกันเลยของพุทธนะั้นมีสารณียะมีปิยกรณะมีขรุกรณะมีการรึกถึงกันถ้าร ะ, ะลึกถึงได้กว้างถ้าระลึกถึงได้ไกลแล้วก็รึกไปช่วยกันโอ้คนนั้นคนนี้ น่าจะไปช่วยกันน่าจะอะไรไม่ได้เป็นคนใจดำไม่จะเป็นคนใจเื่อนไม่เป็นคนติดตนเองอยู่ในภพเลยเป็นคนใจกว้างใจเมตตาใจเพื่อกูลแล้วก็ประมาณตนเออเราลิถึงได้เท่าไหร่ไปช่วยใครได้มากเท่าไหร่ได้ตั้งตรงไห น, นพอสมควรแล้วก็ทำด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยการช่วยเหลือสังหาปิยกระรูกรณนะสังขาร ไม่เอาไม่ไปวิวาดกับใครอาวิวาทสามัคคีสร้างความอยู่ร่วมกันพร้อมเพียงกันอบอุน่นเป็นเอกีภาวะเสนาตมาชื่นใจที่อโศกเรามีสิ่งเหล่านี้พุทธพจน์เจ็ดที่พวกเรามีแม้จะไม่ดีงามวิเศษแต่มันมีสภาวะแล้วอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นขามีกินดินมีเดินตะวันปีสองพี น, อน้องมีเศษเห็ดมีเก็บไม่ได้ทาเห็ดเราทาปุย๋ย เป็นหลักตอนนี้ทุกวันเนี่ยทำปุ๋ยเป็นหลักที่นี่อย่างอื่นก็ทำไปแม้จะทำกสิกรรมทำอะไรก็ทำก็ไปเป็นงานเป็นการเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันอื่นก็ทำขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เรื่องของสังคมเป็นการธุรกิจการค้าการ ข, า, า, รขายการสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดเผื่อแพร่แจกจา่ายเจือจานจำแนกแจกจา่ายเรื่องการพาณิชย์เราก็ทาตามภะษาที่พอเราทาได้ เส อ, อธิบายรายละเอียดไม่ไหวอัตมาที่บายไว้เป็นเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นเชิงสังคมศาสตร์เป็นเชิงของบริหารเป็นเชิงเของอะไรเนี่ยอัตมาจริงๆให้อบตมาบรอธิบายจริงจิงอัตมาอธิบายได้เอาภาษาของเทคนิคเทอมเข้ามามาใช้บ้างศึกษาหน่อยก็้ามาจะทำได้แต่อัตมาไม่ใช่น้าที่อัตมาชาตินี้หน้าที่อัตมาต้องเน้นปรมาตรธรรมมาเน้นโลกุตตรธรรมของพระเจ้า มาเอามาคืนมาเอาอันนี้มาคืนมันจะสูญหายแล้วหน้าที่เพราะง น, นการสงบกายคำแรกเลยอันนี้กายสังขารก็เข้าใจไม่ได้เพราะไปเข้าใจกายเป็นร่างเท่านั้นผิดกายต้องความสัมพันธ์ของร่างหรือรูปกับนามรูปกับจิตกายกับจิตขาดกันไม่ได้ ขาดการสัมพันธ์กันเมื่อไรกายหายคำว่ากายหายไปเลยไม่มีมันจะมีกายขึ้นมากเกิดจากการสังครสังขารกันระหว่างกายกับจิตหรือรูปกับนามต้องมีความรู้สึกร่วมมีแต่รูปเฉยๆอย่างนี้มันมีกายแม้แต่ผีชาดิยามพวก พืชพันธัญญาหารพวกนี้ก็ไม่มีกายไม่เรียกกายโอ้โหกายของฟักข้าวเนี่ยเนาะมันมีหนามเนาะกายของมันมีหนามแล้วไม่เรียกอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ด, ด, ดีนะอย่หล่นไปละมันจะรู้เรื่องไม่เอ่ยบอกมันอย่าหลน่น <c oughs> ระงับกายสังขารก็คือระงับองค์ประชุมแล้วต้องลึกซึ้งนะว่าองค์ประชุมนั้นระงับตัวไหนระงับรูปรเปล่าเปล่าระงับนามอีกและระงับนามตัวไหนตัวอกุศลไม่ใช่ไประงับทั้งตัวกุศลทั้งหมดนามเลยก็ไม่ใช่อีกเห็นไหมว่ามันละเอียดลึกซึ้งสุคุมประณีตสัตาปณีตาอัตตาวจราณิปุณาจริงๆ รรปรานตรลตุตตาตุรนุโภธามันไม่ใช่จะเห็นตามได้ไง่ายๆไม่จะจะรู้ตามได้ไง่ายๆเลยพูดมา44่ปี45บห้าย่างกันไปแล้วเนีย่ยพูดยุ่เรื่องเก่าเนี่ยอาตมาเขาเอาของเก่ามาเปิดกันเนี่ยเปิดทวนๆแล้ ว, ว, วก็พูดมาจนปากจะฉีกจะอันนี้หมดแล้วมันก็ยังแค่นี้อยู่เลยไอ้คนพอรู้ก็รู้ไปขนาดพวกเราเองเนี่หลายคนก็ยังตื้ออยู่เลย ฟังองนั่นอาตมา ก, ก็ไม่รู้จะทำองไงเพราะว่าเขาเป็นเขาเนาะเขาเป็นเขาอาตมาจะไปบังคับก็ไม่ได้บี บ, บ เ, บ, เบีไม่ได้ลุกลุกลุกลมีไปเลยนาะจังก็หมอหนวดนะมันบีไม่ได้บีไม่ได้ใครจะรู้ก็ตวัวเขาต้องต้องพอใจเองไ <laughs> ม่ไม่รู้จะทำยังไง <laughs> เอา ก็บัญญาย่างงี้อาตมาจะจ บ, บ, บัญญายัางไงสําเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารเพราะฉะนั้นกูจะต้องทําระงับกายสังขารนี่กูจะหายใจออกก็ตามกูจะหายใจเข้าก็ตามคุณต้องสําเนียกการระงับกายสังขารพูดให้มันชัดๆเน้นๆนะ คุณจะหาใจเข้าคุณจะตดหรือว่าคุณจะเอื้อมคุณจะเออคุณจะเลอคุณจะอะไรก็แล้วแต่ภาษาอีสานแบบเอื้อมมาเลอคุณจะตดคุณจะเอื้อมคุณจะเลอคุณจะออกยังไงคุณก็ต้องระงับกายสังขารต้องต้องเข้าใจว่าสังขารระงับคืออะไรสังขารกายคืออะไรจิตสังขารคืออะไรวิจิสังขารคืออะไรก็เข้าใจกันไม่ได้ทุกวันนี้กายสังขารคืออะไรจิตสังขารคืออะไรวจีสังขารคืออะไรไปเข้าใจเป็นกรรมหมด กายสังขารกไปเข้าใจวกายกรรมอ่าจิตสังขารก็ไปจาแต่จิตกรรมมันไม่มีมานก็เลยไม่มันก็เลยยังยิงดูยากอ่าวัจีกรรมไปเข้าใจวจีรรมมจสังขารเป็นวจีกรรมไปเข้าใจกายสังขารเป็นกายกรรมพิษหมดกรรมมันไม่ใช่สังขารสังขารมันแค่เนื้อหาสาระของจิตปรุงกันสังขาร น, นี่คือจิตน่ยจิตปรุงกันเป็นหลัก ร่างกายกายสังขารไม่ใช่ร่างกายปรุงแต่งเป็นแท่งนี้ไม่ใช่แต่มีส่วนของพลังงานจิตมันยึดไว้ไ ม, มีส่วนแต่ไม่ไม่ได้หมายเอาตัวกายมันทางฟิสิกส์ทางวัตถุรูปไม่ใช่อนะอนะ กายนี่คือองค์ประชุมของหมวดเวทนาสัญญาสังขารกายเนี่ยคือองค์ประชุมของกายวิญญาณคือธาต ร, รู้ทั้งหมดองค์ประชุมธาตรู้ทั้งหมดเดียว่ากายวิญญาณวิญญาณคือธาตรู้ธาตรู้ทั้งหมดนี่ประชุมกันอยู่เรียกว่ากายวิญญาณและกายวิญญาณแจกออกไปเป็นกองเวทนากองสัญญากองสังขาร เรียกว่ากายแจกออกไปเป็นสามกองในพจานานุกรมยังเหลืออยู่ในพจนานกรมไทยบาลียังคําว่ากายมุตุตาก็คือความอ่อนของ เ, อเวทนากองเวทนากองสัญญากองสังขารกายละหูตาก็แปลว่าความเบาของกองเวทนากองสัญญากองสังขารในพยัญชนะในพจานานุกรมบาลียังเหลืออยู่ แต่ความเข้าใจของคนไม่แล้วเข้าใจว่ากายและหูตาก็คือความเบาเป็นหนังจีนกายเบากระโดดขึ้นลอยได้สูงไปโ น, น่นกายเบาแจ้งกระบกหมดเลยมีอะไรหนังจีนก็ว่ากายเบานี่ก็อะไรเป็นวรยุทธใช่ไหม ม, มีวรยุทธ์มีวรยุทธกายเบาแป๊ดแป๊พิ่งายไปได้โอ้โหกระโดดตึกระสูงโอ้โหกายเบาแปะเอารูปประทับแปะเอาวัตถุทำหมดเลยกายเบาคือความเบาของเวทนาเบาสบายอารมณ์สบายเวทนาคืออารมณ์สบายสัญญาคือสัญญากําหนดได้เบาง่ายไม่หนักไม่เวทไม่บุญสังขารกระปรุงกันอย่างมัน งแต่งกันอยู่จิตใจเบาสบายมาปรุงกันอยู่ก็ปรุงอย่ปรุงปรุงแรงปรุงมากปรุงหนักยังไงก็ยังเบาไม่แน่นไม่อัดไม่อึดไม่คนไม่แค้นไม่ลำบากนี่พยาวเอาภาษาไทยมาใช้หมดแล้วนะเนี่ยขยายความให้คงสภาวะธรรมเพราะเมื่อมันผิดเพี้ยนไปเช่นนี้มันจึงปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรม ไม่ต้องถึงขนาดในความหมายที่อาตมาอธิบายหรอกทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยตัดเยี่ยนหมดแล้วปฏิบัติคืออะไรตอบนั่งหลับตาจบง่ายดีนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมและเรียนปัญญาคืออะไรท่องบัญญัติหาเหตุผลของความหมายเของบาจะให้มากมากเท่าใจหัวผูกหัพังเลยนั่นคือปัญญาสมาธิ สมาธิก็กลายไปเป็นตัวที่แข็งถื่อได้มากเท่าไหร่นั่นคือการหลับตาได้แข็งมากที่สุดอ่าหลับตาได้แข็งถื่อมากเท่าไหร่เนือสมาธิทั้นั้นสมาธิของพระเจ้านั้นโอ้โหเป็นจิตที่แข็งแรงอยู่กับความร้อนอยู่กับความหนาวอยู่กับความปุ่นวายของโลกียาลาบยอดฉัเสริญโลกียสุขอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่ยังแข็งแรงนั่นเปีย้ย ไม่วันไวเลยพุทธะโลกะธรรมหิโลกะธรรมไม่วาลากยศสันเถรสุขของโลกจะผัดยังไงก็ น, นักกรรมปติไม่วันไวเลยแล้วรู้แจ้งรู้หมดรู้ครบรู้ทุกอย่างไม่หนีไม่รู้รได้ ด, ด, ดีดีกว่าคนโลกโลกเลยละเอียดถี่ด้วยแต่ไม่ได้วันไวไปอะไรเลยนี่เป็นความลึกซึ้งที่ยากมากเลยนะ พิงหายใจออกหาใจเข้าก็ระังนับกายสังขารหาใจเข้ากร็ระงับไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมะในธรรมทรงตนไปในธรรมจานวนนี้ท่านแปลดีทรงตนไปในธรรมเนี่ยนะพยัญชนะท่านใช้คำว่าอะไรมัน้นะ พาหิตตัดพาหิตพหิตตัหิตัดตสัวิหรโตทรงตนไปอยู่นะส่งตนไปในธรรมอยู่วิหรตินั่นคือวิหรารโตนั่นคือคําว่าอยู่นะส่งตนไปนะแล้วก็ต่อจากนั้นทรงตนไปในธรรมอยู่ย่อมละความดําดิพรานนะ ยเคหสิตาสระสระสังกปาสังกปะก็สังกปะนั่นแหละเอ่อเตไปหิยันติ ah anti, ก็หมายความว่าละไอ้ไปพิยันตินี่แปลว่าความละความทําลายทําลายความดําดิพรานท่านก็แปลไอ้ตัวสระสัง ก, งกปะนี่แปลว่าความดําดิพรานของเรือนเกหสติอาศัยเรือนเสียได้ าสามารถที่จะมีจิตมันไปหาธรรมพูด ก, กันโดยภาษาง่ายๆจิตมันเข้าสู่ธรรมธรรมะนั่นไปนการเข้าไปสู่อะไรเข้าไปทาลายเข้าไปละความพลานความเดือดร้อนตัวผีตัวอะไรที่มันวุ่นวายนั้นออกไปอยู่ในเรือนของเราอยู่ในจิตของเราเนี่ยเรือนใจเรือนนี้คือเรือนจิตเรือนใจออกไปจากอันนี้เสียได้ก็เรียกว่าสงบระงนบนะ เพราะลดความดำมริพลานได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่เพราะเมื่อละอันนี้ได้เมื่อละกิเลสออกจากจิตความพลาดใ น, น, นได้จิตมันก็สงบระงับแต่จิตมันเป็นตัวเคลื่อนไหวจิตไม่ใช่ตัวแข็งแต่ความเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวมุทุตาอย่างคล่องตัวอย่างความง่ายความเบาความไม่หนืดเลยละหุตานี่แหละจิต มันทําได้อย่างมั่นคงอย่างแน่นอนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าคงที่แน่นิ่งก็เลยแปลแน่นิ่งก็เลยแข็งเดเลยนิ่งเก่งเลยมันเที่ยงอ่ะมันมั่นคงอ่ะมันยั่งยืนอ่ะมันเป็นจิตที่ประเสริฐที่ได้อย่างเก่งแล้วอิสระเต็มที่และคล่องตัวเบา สบายปรับได้อย่างเร็วเลยไ ป, ป็นมุตุตาและหูตานะเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนี่เป็นสุดยอดธรรมเป็นธรรมเอกสุดขึ้นผุดขึ้นนะเป็นเอโกเอโกทิโพติสมาธิยสมาธิยตนะติเรียกว่าเป็นไทยก็แปลเป็นไทยว่าเป็นธรรมะเอกนะตั้งมัน่น พุทขึ้นตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเจริญกายขตาสติอย่างนี้ชื่อว่า เ, เจริญกายคตาสติซึ่งไม่ได้ทิ้งข้างนอกและทําข้างในทาในจิตทาในจิตเพราะการที่ทํากายระงับ นะทํากายให้ปัดซัมพยังกายย่ั่งข่ารังเนี่ยนะที่เรียนกันมาในอาณาปานาสตินั่นแหะนะตั้งแต่ตอนต้นกายขตาเยกายย่าสั่งพยังกายย่าซั่ ง, งก า, งารังอัศสติสามีติสิกติหรือว่าปัดสิดสตสามีติลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัปปกายปฏิสั่งเวที ทำความรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ว่าทําให้มันสงบระงับลงมาปัดสัมพยังศึกษาทําให้มันสงบระงับลงมาในขณะที่ท่านขยายความต่อในข้อ295ว่าในขณะประการอื่นเนี่ยในจริงในประการอื่นมันไม่ใช่ประการอื่นเท่านั้นน ะ, ะมันหมายความว่ามันทุกอิริยาบถอื่น มันทุกอิริยาบถอื่นไม่ใช่แต่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยดูสักภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกก็คือทุกอิริยาบถอื่นไม่ใช่แต่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิกษุเดินอยู่เนี่คือแม่เดินอยู่ไงอิริยาบถอื่นยั่มีอีกเยอะแยะไม่ใช่แต่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังเดินยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังยืนนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังนั่ง หรือนอนอยู่กรู้ใช้กำลังนอนหรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆอยู่ก็รู้ใช้ว่ากำลังทรงกายโดยอาการนั้นเมื่อพิสษุไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่อธิบายแล้วทรงลมไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพลาดที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลาด น, นั้นได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่ย่อมแน่นิ่งตามตำหนีญาตินแปล เป็นทมเอกปวดขึ้นเป็นเอกคตานะั่นแหละถ้าจะแปลอย่างที่เรียกกันรู้ดีภาษาที่สมบูรณ์แต่ในนี้เป็นภาษาบาลีที่ท่านเป็นว่าเอกโกทิโพติเอกโอทิโพติก็เอกคตานะั่นแหะจิตเป็นเอกจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นยอดจิตเป็นเลิศจิตดีเลิศไมนะ่ไม่จะหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งไม่ใช่ เอกคำนี้มันจิตเป็นเลิศเป็นยอดเยี่ยมเหนือใครเลยไป็จุดปลายของจุดสูงสุดแหลมเลยเรียกว่าหนึ่งจุดสูงสุดแหลมยอดเลิศถึงที่สุดโพตินี่แปลว่าความเจริญเอโกที่โพติพอสัมเภาสระโอนี่โพคําเดียวก็แปลว่าเจริญวัตโพโกทันโย ว่าตับแล ว, ว่าหนอโพเป็นความเจริญโอ้โกทันโยมีความเจริญเกิดเจริญอะไรโพคํานี้มีความหมายสูงมากเลยโพคํานี้แล้วความเจริญทางจิตวิญญาณทางอาริยะทางโล ก, กุตระมีอันนี้ขึ้นมาแล้วหนอโกทันยะโอ้โหมีความเจริญอันนี้ของโล ก, กุตระอันนี้เกิดขึ้นแล้วอันแรกของโลกเลย เริ่มต้นหาคนได้มาหนึ่งคนเลยเกิดอนแรกอย่างนี้เป็นต้ น, นเพราะจะอยู่ในอาการใดๆก็ตามคุณก็จะต้องรู้ความสงบระ ง, งับนั้นสงบระ ง, งับอะไรไม่ใช่สงบระ ง, งับอิทธิบทของกายไม่ใช่ของของร่างอิทธิบทขององค์ประชุมและองค์ประชุมนั้นมีทั้งร่างมีทั้งรูปมีทั้งนาม แล้วในานามในยังสงบเลื่อนเข้าไปเรื่อยเลยว่าสงบเฉพาะตัวอกุศลจิตมันสงบมันระ ง, งับมันดับมันตายมันหมดฤทธิ์เลยแต่จิตอื่นๆกับยิ่งคล่องตัวกายะมุทุตากายะปาคุณญาตายิ่งคล่องแคล่วยิ่งดีเลยไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารยิ่งคล่องตัวยิ่งเราไว ยิ่งเร็วยิ่งทำงานได้สะดวกเบาสบายคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่นิ่งแข็งทื่อแน่นิ่งไปอย่างที่ท่านแปลไวเห็นมความไม่เข้าใจสภาวะแปลงนี้ก็โอ้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง น, นั่นน่ะถูกแต่แน่นิ่งเนี่ยตายเลยภาษาไทยแน่นิ่งเพราะฉะนั้นคนไทยปฏิบัติธรรมพระุเจ้าตามพระตรปิดก พออ่านแน่นิ่งก็เลยนิ่งไปนิ่งมาแน่ไปแน่มาแสดงว่าทําตัวเหมือนคนตายครับอมันเลยตรงกัข้ามกับของพระเจ้าเพราะเขเข้าใจกายละหูตากายปัญญากายกรรมปัญญากายกรรมปัญญาหรือกายปาปะคุญยาตาไม่ได้ของมคล่องแคล่วของกองลมไม่ใช่ของกองเวทนากองสัญญากองสังขารความคล่องแค้าวว่องไว้ เข้าใจไม่ได้เลยความเบาของกองเวทนาเบาง่ายสบายสะดวกของเวทน า, า, า, ส, า, ส, ทนาสัญญาสังขารไม่ได้เข้าใจไม่ได้ยังดีนะพจนานุกรมยังเหลือข้างแปลทิ้งมาอย่างนี้อยู่ครับคือมันจะต่างกับํำว่าแน่นิ่ง เขา็แน่นี่เขาแปลมาจากศัพท์คำในอะอ๋ะอสันจิตติ <c oughs> นี่อัตมาหยิบอันนี้มาอ่านแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยให้เห็นว่าคำบาลีมันมีนัยยะที่ลึกแต่ทีนี้คนแปลแป ล, แปลตามภูมิภูมิเข้าใจก็เลือกเอาคำใดคำหนึ่งที่มันรวมจนกระทั่งมันผิดด้วยมันกลับกลายมาเป็นอย่างหนึ่ง แล้วก็ใส่ลงไปตามที่ตัวเองเห็นว่ามันน่าจะใช่อันนี้ก็เลือกใส่ลงไปนะข้อไปที่อาตมาวิจารนแต่อาตมาก็อาศัยพระแต่พิดกนี่แหละก็ อ, อาศัยเยอะประขอบคุณอยู่ะระลึกถึงบุญคุณอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทําทไงอะไรที่มันผิดเราก็วิเคราะห์วิจัยไม่ได้โกรธไม่เกยงได้ชังหรอกะระลึกถึงบุญคุณอยู่แต่ก็พูดความจริงมันจําเป็นได้จะต้องขยายความจริงยืนยันความจริงกันเท่านั้นนะ น้อผู้ใดที่สามารถที่ดูชัดว่าแล้วก็ทรงกําลังทรงกายโดยอาการนั้นๆก็หมายความว่ามันจะทรงกายอยู่ในอิริยาบถได้แล้วยืนเดินนั่งนอนอะไรมันก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อพิสูจน์นั้นไม่ประมาทมีความเปลี่ยนทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในอิริยาบถยืนก็ตามเดินก็เดินนั่งก็ตามจะวิ่งจะทรงสังคติทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็ ปฏิบัติตัวที่ดำดิ่ความดำดิ่พลานที่อาศัยเรือนอาศัยเคท่านก็ไปแปลไอเคหานี่ว่าแต่เรือนเรือนคือองค์ประชุมองค์ประกอบของสถานสถานหร อ, องค์ประชุมจะเคหะแปลว่าถ้าก็แปลว่าห้องก็แปลว่าบ้านก็แปลแปลเคหะหรือครูหาเนี่ยแปลว่าถ้าแปลว่าห้องแปลว่าสถานแปลว่าที่มันเป็นที่ที่อาศัยในกรอบ คือจิตวิญญาณนี่ถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยจิตวิญญาณมันมันไม่อยู่กับที่ไหนเลยมันไม่จะไม่รวมกันอยู่ที่ไหนเลยมันอยู่กัตัวเองเท่านั้นมันไม่มีอะไรมาเป็นที่อาศัยเพราะมันมาอยู่ในสัตว์สัตว์เดรัจานก็ตามสัตว์คนก็ตามตั้งแต่มันเริ่มเป็นจิตนิยามมันจะอาศัยครูหาอาสัสยังอาศัยครูอาศัย อันนี้องค์ประชุมของนินนามไฟลมแทงนี้อยู่ขาดจากอันนี้แตกกายสเพทาปรำมรณาหมายความว่าองค์ประชุมนี้แตกสลายไปแล้วกายสเพทาแปลว่าแตกองค์ประชุมนี้แตกไปแล้วหลังจากตายนี้ไม่มีขูหาสายังไม่มีที่อยู่ที่ไหนเลย ไปอยู่ที่ยอดไม้ไปอยู่กับที่ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีกระจายเป็นสรรพโตปพังสัรพโตประพั ง, พรรพงมืดแสงสว่างกระจายไปทั่วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรกั้นเลยนี่นะแสงสว่างนี่ไปไกลลิบเลยเท่าที่แรงของแสงมันจะไปไปได้หมดฤทธิ์มันก็เท่านั้นจางกลายไปจนหมดฤทธิ์แสงวิญญาณ หรือธาตุรูของจิตก็เหมือนกันแล้วมันไปได้ไกลกว่าแสงไปได้ไกลกว่าแสงบางเบากว่าแสงเองไม่มีที่กั้นด้งาแสงอย่างกัน้นไม่ไปแล้วเอาวัตถุนี่มากั้นก็อนั่นแหละแต่วิญญาณเนี่ยทะลุหมดล่ะแสงทะลุไม่ได้วิญญาณทะลุได้มันไปแล้วเนี่ยครับ น่พูดถึงเรื่องผมไม่รู้อ่ะมันไปแล้วมันจะไปรู้อะไรไหมครับหรือมันก็ไปแบบเฉยๆของมันอยู่ในภพตัวเองถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยคือตาหูจมูกลิ้นกายให้มันมันไม่รู้ก็อยู่ในภพของมันอยู่ได้มันอยู่ในภพของมันโอ้เก่งพูดถูกมันอยู่ในภพของมันตอนนั้นครับเพร่ะคนไปดาว่าจิตวิญญาณที่ตายแล้วนี่ออกไปสู่ข้างนอกนี่มันก็ เบือนสภาวะจินิญาณล่องลอยแล้วก็ไปรู้นั้นไปเห็นนั้ น, น, นไปอะไรนั้นนะอธิบายกันเป็นตำนานโอ้โหจะเข้าท้องพ่อท้องแม่คนนี้โอ้เดินมาแล้วก็เลยกดกระโดดตักร้าที่พ่อหที่แม่ถือมาเสร็จแล้วก็มาแม่ถือมาในบ้านก็เลยเข้าคันอะไรเงี้ยอธิบายกันเป็นตำนานเป็นนิยายอะไรไป ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้อะไรเลยจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วเนะี่ยมีแต่นนรกกับสวรรค์พบของตนตรงนั้นครับแล้วเวลาเราทําเรื่องจิตใจนิดนึงครับคือเวลาเราจะไปเกิดเนี่ยมันก็เป็นตามวิบากที่เราพุ่งไปตรงนั้นได้ป่าวิบากมันนําพาเกิดกรรมกรรมโยนิกรรมที่คุณทําไว้เป็นวิบากมันก็พาคุณเกิดคุณเป็นคนไป ตามที่มันมีอยู่จริงอคุศนเท่าไหร่อกุสนกรรมที่คุณมีกคุสนกรรมเท่าไหร่มันก็สังเคราะห์กันตามที่มันจะสังเคราะห์กันไปไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่อยู่กับที่เลยนะไม่อยู่กับที่ไม่เท่าเก่าไม่มไม่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลนาเลยเปลี่ยนอยู่ตลอดอทุกวินาทีเลยในขณะที่ตายไปก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าวิบากมันจะมาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ <ๆ S 2> แล้วแต่วิบากมันจะถึงตรงไหนเป็นยังไงเราก็กําหนดไม่ไดูู้ห ไม่มีใครไปกำหนดได้เลย oh. เพรา ะ, ะเราสามารถที่จะทำและมันสำคัญตรงที่ว่าคนเข้าใจไม่ได้เขาถึงว่ากรรมใดที่คุณทำแล้วไม่มีลมลาง oh. มีแต่สะสมลงไปและสะสมตกคลักไปเรื่อยๆเพราะอะไรที่ขึ้นมาได้เข า, เขาถึงบอกว่ากรรมวิบากนี่มันถ้าเป็นอคุศ ล, ลวิบากนี่มันเหมือนหมาหลายเนื้อ มันวิ่งไล่กวดไปให้ทันแต่ไอ้กุศลวิบากมันดันผ่ามเฉยไม่ได้วิ่งไล่เหมือนหมาไล่เนื้อหรอกไมมันไม่มันคงเป็นเหมือนกับเราจะทำความดีะครับมันจะมีแรงเฉยเยอะถ้าจะทำชั่วละแแม่มันเร่งมันร้อนมันแรงมากเลยนะไอ้ความชั่วเนี่ยมันจะต้องรีบทํา แต่ความดีเนี่ยนะเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนความดีถ้าไมคนมันเริ่ดงโง่ดักดานจริงๆเลยหนูนเห็นไหมคเคยมาทั้งนั้นนะแต่ความช่วงนี้มันบังคับบังคับมันไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับเพราะความช่วงเป็นความร้อน แต่เวลาจะทำความดีหรือมาฟังเทพพ่ครูเนี้ยเออเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเดินช้าๆมันก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบมากแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินร้านที่สลาเนี้ยรีบวิ่งมแน่นอนครับไม่ต้องเอาอะไรหรอกนะคนที่ก็ทําความดีในสลาเนี้ยโอ้นี่เขาทาความดีกันีมาดูไม่มาหรอกครับครับโอ้คนก็กาลังทาความชั่วกันกลังโอ้โหทเลวทำร้ายเลยเนี่ยอุตริวิธานเลยนะ มวทั้งหมู่บ้านมาเว่งกันปุ๊บปั๊เลยเร็วถึงไ้เลยครับเพราะฉะนั้นสุพิมมันจะลงเรื่องวิถฐานเรื่องบาบาบอเรื่องเร็วๆได้ๆลงเรื่องดีๆดีให้ตายลงบางทีนั้นวิบากกรรมเป็นความชั่วก็เลยมาอย่างรวดเร็วยิ่งดีวิเศษเลยนะดีในระดับโลกุตระอริยะเลยนะอย่าเอามาใกล้ฉันฉันไม่เกี่ยว ที่ไม่เอาเลยคราวนี้ถ้าเราเกิดเราพัฒนาตัวเองลดละเอียดไปมากๆเขจนไม่มีละเลีเราทำความตีอย่างรวดเร็วเนี่ยความตีมันจะเร็วกว่าความชั่วไหมครับอย่างพวกโดยสัจจะของมันนะ่ะมันเร็วได้โดยโดยฐานะแท้ของมันนะ่ะมันก็มีอะไรที่แรงที่มีฤทธิ์มีแรงมันก็เร็วได้แต่ในความซับซ้อนนี่นะในทุกอย่างในมหาจักวานนี้เนี่ย มันคานกันทุกอย่างมันคานกันทุกอย่างเมื่ออย่างเมื่อกี้ก็พูดกันแล้วว่าถ้าความชั่วนี่มันเร็วมันแรงมันไวมันถ้าความดีนี่มันช้ามันเนิดตัวมันเองมันก็เนิ่์เพราะฉะนั้นมันจะไปทันความชั่วยังไงธรรมชาติเป็นอย่งงเป็นยังมันไม่ทันความชั่วหรอกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจ้าตัว เจ้าตัวของแต่ละคนคนไหนที่เห็นว่าเอออันนี้เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีคุณค้นขวายคุณเร่งตนเองนอาศัยคนอื่นไม่ได้คนอื่นมือก็จะกลายเป็นมันไม่เคยเร่งกับความดีมันจะเร่งแต่ชั่วเนันต้องเราเราต้องบังคับตัวเราเองเราต้องเอาคนอื่นก็ไม่เอาคนดีก็ช่างหัวใครเถอะเรา มันยังงั้นจริงๆนะพระพุทธเจ้าทึาบอกอัตติอัตโนนาโธโกหินาโถปรโรสิยาคนคนอื่นยังไปพึ่งใครได้พึ่งไม่ได้ท่าก็ท่านบอกว่าแม้แต่พระุทธเจ้ายังพึ่งท่านไม่ได้เลยท่าก็ท่นพูดไป่า ง, งั้นจะา่าคนอื่นพึ่งไม่ได้อางพระพุทธเจ้าก็เป็นคนอื่นนะโกหินาโถปรโรสิยานอกจากตนแล้จะพึ่งใครได้ ตนเป็นที่พึ่งของตนมันเป็นเรื่องนึกซึ้งมันเป็นเรื่องจริงที่สุดเลยไอ้คาว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไม่ได้สอนให้มาเห็นแก่ตัวสอนให้มารู้กิเลสตัวละล้ลางกิเลสตัวซะพึ่งตนเองรู้กิเลสตัวละล้ลางกิเลสตัวให้ได้และทีนี้สัจจะที่มันเกิดในคนที่ล้างกิเลสได้ลดตัวลดตนได้มันไปเห็นแก่คนอื่นไอ้นี่สิมันวิเศษมันไม่เหมือนหรือ บอกว่าตัวเองไม่เห็นแก่ตัวแล้วตัวเองเอาแต่ตัวเองตัวเองมันก็เอาแต่ตัวเองมันไม่เห็นแก่คนอื่นเลยฤซีครับวัที่ฤศีเขาก็เข้าใจได้ว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวอ่ไม่เห็นแก่ตัวเขาบอกว่าไม่เห็นแก่ตัวหรอกคือตัวไม่ไปเบียดเบียนใครไม่เห็นแก่ตัวไงไม่เบียดเบียนเขาก็ไม่เบียดเบียนนีไปแล้วนีไปมันก็กลาไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใครเลยเห็นแก่ตัวเองเต็มบ้องเลย เขาก็เข้าใจไม่ได้เห้มันกลายเป็นเห็นแก่ตัวเองเต็มบ้องเลยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ข้อพระเจ้าจไม่หรอกรู้จักไอ้ตัวความเห็นแก่ตัวแล้ว่ามันตายตัวนี้แล้วมันตายจริงมันหมดจริงแล้วมันก็อยู่แต่ั้อพมันยิ่งเห็นแก่คนอื่นเลยมันจะเป็นเรื่องของประโยชน์ตนประโยชน์ท่านยิ่งหมดความเห็นแก่ตัวยิ่งมีความ เห็นแก่ผู้อื่นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเห็นแก่ตัวหมดเท่าไหร่ยิ่งความเห็นแก่ตัวแก่ผู้อื่นหมดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นเต็มบ้องคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าวิชาตัวเบาท่านสูงทรงเพราะงั้นในเรื่องคําความธรรมะเรือว่าความหมายสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี้ จึงเป็นเรื่องที่สุดยอดนะเมื่อจะรู้การทรงกายอิรียบทต่างก็ให้รู้ว่าเราจะต้องละความดำ่งรีพลานที่อาศัยอยู่ในเรือนใจเนี่ยให้หมดจะอยู่ในอิรียบทไหนก็จะตา่างไม่ใช่ปฏิบัติทำหนาะนั่งนิ่งนิ่งอยู่กับที่อยู่กับที่ก็อยู่ปฏิบัติเคินไว้ก็ปฏิบัติเพราะ ม, มีชีวิตปกติ ถ้าทำไม่ปกติได้แคล่วคล่องว่องไว้ทํางานปราดเปรียวสมรรถนะแล้วเราก็อ่านใจเราได้เร็วเป็นมุทุธาตุมุทุภูตธาตุใจไวเร็วไวรู้เราทันไปรู้เร็วปรับได้เร็วจิตหัวอ่อนมุทุที่อาตมาพยามอธิบายพยายามอธิบายสิ่งต่างๆที่อาตมาขยายความพวกนี้มันเป็นภูมิเก่า มันเป็นเรื่องเก่าที่อาตมามีบา ร, รมีมาเดิมพูดากับพระพุทธเจ้ามาแล้วมีแล้วเขาเอาไปที่โอดอุตตันิยมุสธรรมมากไปก็ทนเหน่อยอาตมามันมันอดอุตตนิย ม, มากไปหน่อยก็ทนเอบ้างนะแล้วถ้าท่านแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาได้มามก็เห็นชัดเจนก็เอามาอธิบายให้ฟังแล้วก็ให้คุณเนยลองปฏิบัติพิสูจน์ซี่แล้วมันสุดยอดประเสรนะิฐ มันสุดยอดเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่บริบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าคนมีคุณสมบัติตามลักษณะที่อาตมาว่าเนี่ยสังคมมันมันจะไปเสื่อมมันจะไปตกต่ําได้ไงมันเหนือชั้นกษัตริย์ได้รับชันเหนือชั้นกษัตริย์คนที่มันไม่ก็อยเจริญแบบนี้่ะมันเหนือชั้นก็จริงๆแล้วสุดยอดเลยคื อ, อเหมือนกับเขาเขียนวั <c oughs> ตถบินดอกมนะันนี่ รอคนคนหนึ่งมาอธิบายครับคือพ่อครูมาอธิบายครับทำไมถ้าแต่บิดอกครับทำไมเ็เหมือนเขียนมาแล้วให้คนหนึ่งคนหนึ่งมาอธิบายในชาตินี้ครับเขาเชื่อหรือเปล่าผมมาเชื่อไง <laughs> ว่าฟังดูผมก็ไม่เห็นจะมันไสพอครูเลยผมก็อยากจะรู้อธิบายให้ผมฟังรู้เรื่องไงจริงๆ <มา S 2> นะอาตมาพูดไปแล้วก็อวดอุตติทําไปแล้วว่าในสมมาทิสิบเนี่ยข้อสิบนี่คืออาตมาอาตมาพูดไปถึงขนาดนั้นมันก็น่าขออาภัยเถอะวจีสังขารอาตมาข้างในเนี่ยมันบอกว่าหน้าทีหน้ากทพีพูดหน้าถูกทีโพธิรักนีมันหน้ามันไสจนเกินก็ตั้งหน้าถูกทีเลยนะ วด<ม>ตันตนหลงตัวลงตนอะไรกันขนาดนั้นที่อาตมาว่าอาตมานี่เป็นผู้ที่มีสยองและพิญญาเป็นผู้ที่มีอันนี้มาโดยตนเองมาเก่าและมาขยายความโลกนี้โลกน่าแล้วก็มาขยายความอะไรๆต่างๆน า, นานานี่เป็นหน้าที่ของอาตมาพูดไปลแล้วก็แหมอยากให้ใครเชื่อวะอยากให้ใครนับถือเหรอไหนบอกว่าไม่ต้องการให้ใครนับถือไงไม่ให้ใครเชื่อไงมาพูดทําไมใช่ไหม มันย้อนแย้งได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีจริงนะ <conoc ido. S 2> ก็เป็นจริงแล้วไม่บอกว่ามีจริงแล้วมันจะเชื่อได้ยังไงอ่ะจะว่าจะเชื่อแล้วมันจะรู้ได้ยังไงครับรู้เองก็รู้ไม่เป็น อ, อ, อัตมามพูดไปนี่อัตมาไม่เป็นจริงเลยอ่ะผมจะไปเชื่อได้ยังไงผมก็ไม่เอา <ifi> อะไรพราะอัตมาก็จึงบอกว่าไม่ทุกวันนี้เนี่ขออภัยแต่ไม่เกรงใจกันแล้วทุกวันนี้เกรงใจกันมานานละ นานวันเข้าแล้วเดี๋ยวก็แก่ก็ตายเท่านั้นเองจะได้ทําอะไรกันเพราะที่นู้นถเกลรงใจตอนนี้ก็เกรงใจน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเกรงใจกเกือบจะไม่มีแล้วตอนเนี้ยขอพูดแล้วกันไม่ให้พูดกับพระชมพูดเพราะงั้นในที่อาตมาพูดบรรยายมานี่ก็ขยายความอะไรต่างๆในกายคตาสตินี่นอกจากจะขยายความในข้อ295แล้ว นในอิริยาบถยืนนั่งดองอะไรแม้แต่อิริยบถในสองร้้าสิจะทําอาการได้ใดทั้งหมดเลยจะถอยไปถอยมาก้าวหน้าก้าวลังเวลาเลี้ยวซ้ายแลขวาเอ็นกาเหยียดแขนทรงปาสังกติทั้งก้ออธิบายไปงป่ายๆโศกปาสังกติขยับนั่นขยับนี่อะไรต่างๆนั้นะนาจะมีบาทมีจีวรเวลาจะฉันจะกินจะเคี้ยวจะดื่มจะริมจะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนจะตื่นจะพูดจะนิ่งอะไร รวมแล้วก็ทุกอิริยาบถนั่นแหละทุกอิริยาบถนั่นแหละกายขตาสติองค์ประชุมในทุกอิริยาบถคุณจะต้องมีจิตร่วมรู้ด้วยและคุณต้องละความดับดิพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้ขาดไม่ได้ทุกอิริยาบถขาดไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงบอกว่าไปถูกใครหลอกมาให้เป็นนั่งงุกอยู่นึงในคนเดียว ดีไม่ดีคนเดียวกูก็ยังไม่รู้กับใครเพราะเขาอยู่ในภวังหลับตาใครจะมาใครจะไปไม่รู้ใครเอาไฟมาเผายังไม่รู้ตัวเลยแข็งทื่ออยู่เลยนั่นแ่ะมันสอนกันไปอย่างนั้นน่ะนั่งเป็นหลบมุมอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่แล้ว มันต้องมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายรู้จักสังคมมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ฟังให้เข้าใจสิตีความตรงนี้ให้แตกเพราะฉะนั้นนี่นะศาสนาพุทธนี่มันไม่ใช่แค่บ้านราชนะศาสนาพุทธมันทั้งโลกนะคุณต้องดูแลเกี่ยวข้องทั้งโลกแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้แค่ในประเทศไทยนี่เายังตีกรอบเลย ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบเลยนี่มีข้อแม้เงินใครบอยากมากนะมากสังปิดนะมากสั่งยุบเลยนะเดี๋ยวอโศกก็ไม่เหลือเลยนะยีงต่างถูกจับแยกส่วนไปอยู่เลยนะี่คนละส่วนคนละสั์เลยดีไม่ดีกับโพธิรัก์เองตัวใหญ่เนะี่ยเอาไปขังไว้เลยไม่ให้ใครมาเกี่ยวอย่างนั้นเลยนะถ้าจะมาทำดีไปเถอะระวังเอะ มันอย่างงั้นจริงๆเขาคงไม่ใจร้ายขนาด น, นั้นนะถ้าพระคูไปขังในพวกผมแย่สรุปแล้วก็ตประการอื่นไม่ว่าจะทรงไมัจจุราะทรงนั่นแหละก็ทรงมีสิ่งอะไรเขาตามแต่จะอยู่ในอิริยาบถใ น, นก็ตามแต่ต้องมาละนะละความดําริพลานตากะวิตกะสังกปะนั่นแหละคุณดําริตกลางกลางหรือดําริตทางพยาบาท คุณจะจมอยู่ที่นังมิตรทัทงอยู่ยจะฟุ้งซ่านไปจนกระทั้งไม่รู้เนื้อหาสาระต้องรู้ว่ากามพยาบาทจับให้มั่นคั้นให้ตายรู้ว่านี่คือผลักคือดูดกามดูดพยาบาทผลักอาการเหล่านี้มันเกิดที่ใจลดมันลงความดําริตักกะพวกนี้ดําริตทาให้มันออกไปให้มันลดลงไปหายไปจางไปตักกะวิจ ก, กะสังกปะ จึงเป็นกลไกลของการชำระกิเลสกลไกลของการทำลายกิเลสที่สมบูรณ์แบบได้พรแล้วก็สั่งสมมึงเป็นคุณ น, นันทิอัปปนาพย ป, ปนาเจสโซพินิโรปนาเป็นพลังงานนิวเคลียร์ที่จะทำงานร่วมทางานออกด้วยด้วยด้วยพอถึงคราวก็ททำงานเลยเป็นพลังงานกองทรัพบ กองทุนอปปนาพย ป, ปนาเจตสโภเพโนโปนาโดยการจัดการให้เกิดทรัพย์เกิดทุนอยู่ที่ตักกะวิตกะสังกะปะเสร็จแรกก็สองกองนี่แหละคุณนันทิกับคุณราราศีตัวที่มันมีพลังสูงปรากาวิตกะสังกะปะก็เป็นตัวเค n e t i c Energy ์จ n e t i ต e n e อ g y ออตัวอปปนาพย ป, ปนานี่ก็เป็นตัว p o เทช t ชนเอน n e อร์ พอเวลาทำงานกบมาร่วมกันเป็นสังขารพอสังขารเสร็จก็เตรียมพร้อมที่จะออกไปทำงานกันเป็นวจีสังขารก็คือสังขารให้หมดเลยทั้งกายสังขารจิตสังขารร่วมกันสังขารเสร็จได้ส่วนรวมก็เป็นวจีสังขารเป็นพลังงานที่จะส่งออกไปหาข้างนอกทำวจีกรรมทำกายกรรมมันตะทาอาชีวะอะไรก็ค่อยททำออกไป นะเนี่ตามายิบมาอธิบายให้เป็นรูปธรรมสื่อด้วยภาษาไทยบาลีก็พยายามมาขยายความแปลฝังสื่อภาษาไทยข้อ297ท่านบอกว่าดูกรับไปสุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกพิสูุนย่อมพิจารณากายนี่แลข้างบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปนะทาข้างล่างแต่แต่ตําำสุดแต่พื้นเท้าเลย ข้างล่างแต่ปลายผมลงมานะปลายผมลงมาเลยปลายผมคุณยาวแค่ไหนก็นเอาต ร, ต, รตรงปลายนะั่นแหะมาเลยตั้งแต่ปลายผมมาหาพื้นทาเลยมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหุ้มอยู่หมดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนัง ผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นตัวแรกที่อาตมาบอกแล้ ว, วไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่นอกเลยนะพอยาวเกินก็เขตขึ้นมาเมื่อไรปับ๊บ ม, มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กายแล้วผมไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วประสาทไม่ต่อแล้วเพราะฉะนั้นทันตัดอะไรคุณก็ไม่รู้สึกไม่มีประสาทรูปเกี่ยวแล้ว ผมคนเล็บสันนังเนี่ยเมื่อมันไม่มีประสาทไม่มีนามมาทําเข้าไปเกี่ยวด้วยจึงไม่เรียกว่ากายแต่เรียกว่ากายลําลองเพราะมันต้องติดอยู่กับร่างมนุษย์เท่านั้นเองแต่ตามานี่พยายามอธิบายให้ฟังให้มันละเอียดลึกซึ้งกันว่ากายเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับนามมาทำแล้ว มันไม่ได้ก่ออะไรกับที่คุณจะไปจัดการกับมันได้คุณจัดการได้ต่อเมื่อคุณยังมีตัวประสาธทธาตุรู้เข้าไปเกี่ยวถึงเล็บคุณก็ตามมันต้องเกี่ยวถึงฟันก็ตามผมขนอะไรหนังก็ตามนะจากนั้นมันจึงจะอยู่ในไปหมด พอคมคนรล้บฟันหนังแล้วเนื้อทีนี้เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใสใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหา ร, าหารเก่าดีสเลตอะไรต่างๆนา น, นี่ไม่อาแลณเมื่อยน่ารายละเอียดบทนี้เรียกว่าอาการ32เนยดูกระพิสุ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนไถ่มีปากสองข้างเหมือนไถ่ะอ่ นีปากสองข้างเต็มไปด้วยทั ญ, ญชาติต่างๆชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วงาเลยไม่เห็นบอกว่าเนื้อสัตว์เลยข้าวสารน่ถั่วทองถั่วเขียวข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีแก้ไท่นั่นออกแล้วพึงเห็นได้ว่านี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วทองนี่งานี่ข้าวสารชั้นใด ه, พวกนี้นักบงังศภรัตน์ไม่มีเนื้อสัตว์ดูกระพภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันแลภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แลข้างบนแต่พื้นทาวเกินไปข้างล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไม่อานยาว เมื่อพิสุจนนั้นไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมะอยู่อย่างนี้ mm hmm. ก็สมนวนเดิมย่อมละความดำ่ริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะความละดำ่ริพลาด น, นั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นยังคงที่แน่นิ่งเห็นไหมเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจเราจะเห็นได้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยภาษา เพราะฉะนั้นภาษาที่มันสื่อสภาว่า น, นี่มันมันไม่สมูลตรงที่ว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้มันเลยเถิดไปแล้วนะมันไม่ตรงเราก็จะเข้าใจได้ว่าผู้แปลนี่ขออภัยนะขอพยอย่างยิ่งเลยนะที่จะไปว่าไปตำหนิแต่เพื่อิจารวิจารั้งตั้งใจใช้ประโยชน์จากคําแปลของพวกคุณนี่แหละแน่นิ่งมันเลยทําให้เข้าใจภูกมึงเขาว่าเออเขาเข้าใจความหมายอันนี้เป็นอย่างนี้ท่านแน่นิ่งภาษาไทยที่สื่อมันก็ แน่นิมันไม่ได้หมายความถึงความมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนแน่แน่นมันไม่ใช่แน่แน่นเออท่านแน่แน่นกับแน่นิ่งเนี่ยมันต่างกันท่านแน่แน่นแนบแน่นแน้วแน่เนี่ยมันก็เออมันมีความเคลื่อนไหวท่านแน่นิ่งเนี่ยมันหยุดแต่มันตายแหละแต่แน่แน่นเนี่ยมันมันแน่นเฉยๆนะมันแน่มันจริงนะมันจริงมันนั่นนะ แนั่นแนวแน่มันก็มีทิศไปเลยนะแนวแน่แนบแน่นก็ยังเกือบจะแน่นิ่งแล้วนะแนบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นน่นตั้งมั่นอ่ธรรมะเอกผุดขึ้นก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรเอกโอทิโพติเนี่ยตั้งมั่น อ, อธิยติ อัสมาธิยตินี่ตั้งมันก็สมาธินั่นแหละตั้งมันความตั้งมันของจิตโดยกระดับพิสูจน์ทั้งหลายแม้อย่างในพิสูจน์ยยที่ชื่อว่าเจริญกายคตาสติเห็นไหมเมื่อราตมาตั้งใจจะหยิบคําว่ากายคตาสตินิมาขยายความข้อต่อต่อไปทั้งขยายละเอียดไปอีกอาการนำเราถึงธาตุลมธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมอะไรนะแล้วก็ขยายไปอีกจนกระทั่งขยายไปถึง ภิกษุเห็นศพเขาทิ้งในป่าช้าอันตายในวันหนึ่งบางสองบวสามันมันขึ้นอื่นเปลี่ยนแปลงขยายความไม่เห็นว่าเมื่อมันมารวมกันแล้วมันก็ถึงเวลาหนึ่งมันก็ตายมันก็เน่ามันก็เปื่อยมันก็แยกกันมันไม่มีอะไรส่งความยืนยั่งยืนนิรันดรนอยู่ได้นะท่านก็อธิบายไปนะเห็นศพนี่เมื่อเขาทิ้งในคอดสารอ เข้าทิ้งในป่าชา้าอันฟูงกาจิกกินบ้างอีแรงฝูงแรงจิกกินบ้างฟูงนกตะกลุมจิกกินบ้างหมาหมูสุนัขบ้านกัดกินบ้างสุนัขป่ากัดกินบ้างสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินบ้างปลายละเอียดไปหมดเลยนะเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เป็นธรรมดามีความเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงอย่างนี้ไปได้เมื่อพิกษุน์ไม่ประมาท มีความเปลี่ยนทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความลำดีพลานที่อาศัยเรือนเสียได้ก็สํานวนเดิมก็ละกิเลสสรุปง่ายๆจุดจะคุณจะอยู่ในอิริยบทไหนละกิเลสลูกเดียวสรุปแล้วจะไปเห็นศพจะเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยอะไรอีกกี่ข้อกี่ข้อจะคือหลากหลายทุกอย่างจะมีหลากหลายละกิเลสสรุปแนละ้ว คุณจะมีอะไรบทไหนคุณจะอยู่ในองค์ประกอบอย่างใดรักกิเลสเรียนรู้กิเลสรักกิเลสนิสรุปให้ฟังนะจนกระทั่งถึงข้อส0 3อยสาพิสุสงัดจากรกามสงัดจากกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุเกิดแต่วิเวกอยู่เธอยังกายนี่แลให้ครุก เคล้าบริบูร์ทราบซ่านไปด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว เ, ลเราไม่ได้ทิ้งปิติไม่ได้ทิ้งความร่าเริงเบิกบานให้คลุกให้เคล้าในบริบูณ์ให้แผ่ซ่านไปเหมือนท่านอธิบายไว้ในพระปฏิบอดเล่มเก้าเนี่ยเกิดชาญชาหนึ่งชาญ2ชาญสา จะต้องปิติก็จะต้องซ่านแผ่ไปทั่วทุกแห่งไม่มีเอกเทศไหนไหนที่ปิติจะไปไม่ถึงนะอันนี้ก็มี อ, อ่ะในเรื่องเก้าเราจะมาจำได้าท่านอธิบายไว้คือไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมี โรยจุลสําหรับสงสนานให้ลงภาชนะสํำริดแล้วเคล้าไปด้วยน้ําให้เป็นก้อนก้อนแล้วก้อนจุลนั้นสำหรับสงสนาร น, นั้นมียางซึมเคลือบจึงจับกันทั้งข้างในข้างนอกคือมันแพร่ซาบไปไม่มีหมดทั้งในทั้งนอกกลายเป็นผลึกด้วยยางชั้นใดท่านก็แปรไปเรื่อยๆนะก็ชั้นนั้ น, น, นเหมือนกันทิ่สุดนั้ น, นย่อมยังกายนี้แหล ง, ง, งให้ครุกให้เคล้าในบริบูรณ์ซาบซา บ, า บ, าบไปด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวก ไอ้วิเวกนี่ก็ไม่ได้หมายความมันไปอยู่ในที่เงียบจิตมันสงบจิตมันวิเวกจิตมันปราศจากไอความวุ่นวายอะไรนั่นมันเป็นวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกองค์ประชุมของทุกอย่างมันเออสงบดีมันไม่มีไอตัวกวนจิตวิเวกโอ้รวมแรงทั้งจิตจิตวิญญาณธาตุรู้ทั้งหมดมันวิเวกจริงๆ เพราะอุปทิวิเวเพราะตัวกวนมันหมดไปเลยอุปทิคือกิเลสอนุสัยอาสวะหมดสิ้นไปวิเวกสามพระเจ้าท่านบอกว่าไปป่าป่าชา้าป่าชาัดไปที่เงียบไที่ไงใครมันเกิดวิเวกได้ยากนะอ่าท่านตัดกา อ, อุบาลี อุบารีไปป่าเขาทําตรงนี้นั่นมันวิเวกได้ยากมันยากแก่การทําวิเวกนะอะคนก็เขา้าใจว่าเขาออกป่ามันยิ่งวิเวกมันยิ่งบุงเวงอ่ะมันจึงไม่มีมมอะไรเลยแต่พระเจ้าท่าบอกมันหาความวิเวกยากทําวิเวกได้ยากก็ไม่สะดุดใจน ะ, ะยากที่จะพิรำในการอยู่ผูด้เดียว หาทำความวิเวกได้ยากอยู่ลําบากทําความวิเวกได้ยากเข้าใจไหซึ่งมันกงกัข้ามเลยบอกเอ้าไปอยู่ป่ามันก็ยิ่งวิเวกที่วิบูหง่วงเว่งเลยแหละแต่ไม่ใช่ความหมายมันไม่ใช่อย่างนี้คุณคิดวิเวกเนี่ยมันคือความปราศจากกิเลสเป็นผู้ที่ไม่มีเพื่อนสอง ไม่มีเพื่อนสองได้ไหมครับไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรสหายอู้ยมิตรเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีเพื่อนสองจิตไม่มีกิเลสเข้าไปกุ้งเกี่ยวได้เลยนั่นเรียกว่าไม่มีเพื่อนสองซึ่งมันึกซึ้งมันซับซ้อนมันความหมายมันต้องคนต้องมีภูมิปัญญาปฏิภาณจริงๆถึงจะเข้าใจถึงศัจธรรมอริยเจ้าได้ถูกต้องไม่เช่นนั้นไม่มีทางถูกต้องเลยตอนนี้สิบเอง หนึนาทีตามนาฬิกาเดือนนี้เราเริ่มต้นเก้าโมงเสรศษเศษสรุปโดยไม่มีเวลาเชิญ <c oughs> หยุดภาพยนตร์หยุดดิเดสกลางเสมอมโปรดที่รักแบบเนี้คือวันนี้เราได้เรียนเรื่องวิชาตัวเบานะอาจมาวันนี้ได้เรียนรู้วิชาตัวเบาคือเบาในเรื่องของเวทนาแล้วก็สัญญาสังขารคือกายสังขาร น, นะ ซึ่งพ่อครูบอกว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ที่จะเอาโลกุตระคืนมาอาตอมาก็ต่อว่าแล้วเอากิเลสออกไปนะ <c oughs> คือท่านจะเอาโลกุตระคืนมาเอากิเลสออกไปเพราะทุกวันนี้คนมันเต็มไปด้วยกิเลสนะแล้วความเข้าใจผิดอย่างสาหัสสากัร น, นะแต่ก่อนทําตมาก็ไม่คือบริบทธรรมใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะอ่านไปก็เราก็เข้าใจต่างอะไที่กายและสังขารเราก็ เออกายร่างกายก็เหมือนพ่อครูอธิบายที่ก็ บ, บอกกัน้าใจผิดแบบนั้นนหะแล้วก็เออต้องไปพิจารณาศพพิจรณาอะไรอย่างนี้แล้วมันอ่ะแล้วยังไงเนี่ยนะพ่อครูก็บอกว่าต้องเอามาตอกอดท่านก็อธิบายแบบรวบไม่ไม่ได้แจกอะไรที่เรียกแจกพยัญชนะนะเราก็ยังเข้าใจไม่หมดแต่ตอนนี้มาแจากพยัญชนะเนี่ยแต่ว่าทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอ๋ออนามนสติเนี้ยเป็นอย่างนี้นะคือเราจะต้องรู้กําหนดตัวเราว่าเอออยู่ใน กายปกติดี่แหละไม่ใช่ว่าไปนั่งแน่นิ่งนะแข็งทื่ออยูง่งันเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะต้องมาปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบันนะที่เป็นอยู่ได้เนี่ยในอริยบทในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอคืออยู่กับตัวปัจจุบันนี่แหละนะท่านบอกว่าถ้าอานาปรรณสติขาดจากกายเมื่อท่านบอกว่าเมื่อไรอานาบรรณสติขาดจากกายขาตาสติเมื่อไหรก็บรรลัย คือมันมันไปไม่ได้นะคือแยกจากกันไม่ได้มันต้องไปทั้งกายและจิตไปด้วยกันนะั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเรียนรู้เนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงตอนนี้กายเราอยู่กับอะไรองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างแล้วเราสำเนีจอในกายสังขารของเ ร, อร เ, รอ เ, เราหรือไม่คือกิเลสเราหรือไม่ในความรู้สึกของเราในสัญญาของเราในสังขารของเราที่เป็นอยู่เนี่ยในขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้แหละตัวกิเลสตามที่เราตั้ง ฐานฐานะศีลของเราได้ไหมนะถ้าเราทําได้มันก็อยู่ในอนนาวัสติกายคตาสตินี่แหละที่จะบัติธรรมในปัจจุบันถ้าทำให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนศรัทธาก็เกิดมีพลังมากยิ่งขึ้นเป็นศรัทธาภ ร, ะระ๊ะมีความเชื่อมัน่นนะพระครู ก, ก็จะย้ําถามมาตมานั่งอยู่บนนี้ก็จะถูกถามคําถามนี้ว่าเชื่อมั่นหรือยังเชื่อมั่นหรือยังคําถามซ้ํามากเลยนั้นเราจะต้องรู้สึกว่าเออเราเชื่อมั่นหรือยังนะ คือการตรวจสอบอะคือตรวจสอบตลอดเวลาว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนกับท่านเนี่ยจริงๆแล้วลดกิเลสหรือเปล่าเชื่อมั่นหรือยังทําได้จริงหรือยังนะเราก็ต้องยืนยันตัวเราเราปฏิบัติจริงลดละกิเลสจริงนะความเชื่อมั่นจะเกิดได้พอเราได้ลดละกิเลสแล้วได้ทํา ม, มากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็คือตัวถ่วงชีวิตเราให้หนักแล้วก็เฟ้อฟะเคราะห์เป็นไปได้ยากเราลดกิเลสได้เราก็จะเบา ความรู้สึกเราก็จะเบาสบายสัญญาเราก็เบาสบายสังขารเร า, า, ญญาก็จะทํางานอย่างแบบสบายไม่มีตัวถ่วงไม่มีตัวหนักความพาสุขก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายความเสียสละก็จะเกิดขึ้นมากมายเพช่วยให้เราเนี่ยอายุยืนขึ้นแล้วก็ช่วยให้พ่อครูเนี่ยทำงานศาสนาไปถึงที่สุดได้จนพ่อครูถึง151ปีทีเดียวละก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพวอครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุและก็อนุโมทนาทุกคนที่ตั้งใจฟังธรรมเพื่อพากันเป็นบุรุษธรรม การทมทุกคน